จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อจะสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสิงภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญเข้ามาร่วมถามได้นราจะไปที่เด็กชายนักคูณก่อนออนัคุณ ความพระจันร์จำนมัสการคราร่ะพระจานทร์อ่าไปโรงเรียนหรือเปล่าวันนี้ไปได้ไปคะ่ะวันหยุดคะ่ะอ่าวันหยุดคนระเป็นยังไงมีเพื่อนวันเลยครับมีเพื่อนเยอะหรือยังได้เพื่อนเยอะไหมพราจันทร์ทำ อ, อะไรเออมดดื่อกี้พูดดีๆ ไ, ได้ครับ ได้รเพื่อนเยอแล้วนะกี่คนประมาณ น, นับได้กี่เลขยังไม่รู้ต้องรู้นับต่ไปโอเคไม่เป็นไรหนูก็ต้องมีเมตตาต่อกันนะเป็นเพื่อนกั น, นก็ต้องรักกันอย่ากโกยกันอย่ากเกลียดกันนะ เขาโอเคอ่โอเคนะอ่าไป น, นอนได้แล้วแบบนักวิาการนะครับแบบนักวิชการกับอาจารย์นักวิชาการค่ะอาจารย์ไม่มีค่ะสบายดีไม่ไม่มีคําถามอะไรเลยจะถามก็ไม่แน่ใจว่าถามได้ไหมอาจารย์ค่ะคือดูข่าวช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แล้ว ในใจมันแอบคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ว่าเอ๊ะมันคือมีคำถามว่าเอ๊ะค่าพระอาจารย์อันนี้มันเป็นเป็นมนโนกรรมไหมคะก็ะสักจะดูไปแล้วกันข่าวปรากฏมาก็ดูไปมันดูภาพยนตร์ยังมันยังไม่จบก็ต้องดูไปเรื่อยๆว่ามันจะจบยังไงที่เรามีความเอิจฉาใช่ไหมคะก่อย่าไม่มีดีกว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงไปเห็นนั่เดี๋ยวมันก็ ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้ความเห็นของเรา่อต้องถ้าจะเห็นต้องเห็นอ น, นิจจังอนัตตาอย่างนั้นเห็นได้อมันไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอนัตตาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้่ดูไปให้ดูเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปมให้ดูเป็นข่าวไปใช่ไหมค ะ, ะดูว่าเป็นข่าวว่ามันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วดูวนะ่ามันจะไปไหนต่อมันยังไม่จบน โดยใจะกว่ามันจะจบจบแล้วก็จบมันไม่เกี่ยวอะไเราเท่าไหร่เราก็รู้ไปเฉยๆเองค่ะพระอาจารย์อ่าแคมีคำทักว่าเอ๊ะเฉยๆเป็นในตัเองหมันก็เป็นอนัตตาควบคุมมันได้หรเปล่าไม่ได้ค่ะสั่งมันได้หรือเปล่าค่ะสั่งให้มันเรียบร้อยเป็นภาลียาสองอันทุกรูปได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะอือก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้ว ศาสนามันก็มันก็เหมือนอะไรทุกอย่างมันก็มีสิบแปดปลอมเข้ามาได้มีมีของเสียเข้ามาได้อเราต้องเราคนฉลาดก็ต้องรู้จักแยกแยะอันไหนที่เป็นของปลอมของเสียแล้วก็อย่าไปยุ่งื้อเหาแล้วกันเราไปหาของแท้ของจริงฮะปลอมเทองยังมีปลอมมันหลอกกันเลยลง <c oughs> ทุนก็ยังมีการหลอกกันเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําบุญหรือว่าเราเอ ทำบุญกับพระถ้าถ้าเราแค่คิดว่าทำบุญทำนุบำรุงพระศาสนาก็คือถือว่าเราได้บุญเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะคือทำบุญมันได้แล้วทำกับใครก็ได้ทำกับหมาก็ได้บุญนะด้วยความสุขใจเห็นใจแต่ถ้า อ, อยากจะซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนใครก็ต้องดูว่าเขาเป็นบุคคลที่เราสมควรจะสนับสนุนหรือไม่ถ้าเขาเป็นบุคคลไม่ดีเราไปสนับสนุนเขาก็มันก็สนับสนุนให้เขาทาความชั่วต่อไป เราก็ไม่ควรสนับสนุนนะถ้าเราจะมองเรื่องของการทํานุบำรุงแล้วก็ต้องทำนุบำรุงอ่พระที่เป็นพระที่อยู่ในกรอบของธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่พระองค์ไหนก็ได้ใส่ห่มพราเหลืองหมาก็ทํานุบํารุงไปไม่รู้ว่าองค์ไหนที่เป็นพระที่ควรจะทํําทานุบำรุงหรือไม่เราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ถ้าจะทําบุญแบบ แบบแบบแบบสงเคราะ์กันแบบว่าอ่าวไม่มีข้าวจริงก็ให้เขากิน ไ, นไปก็ยินดีจะช่วยนนะเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ทําได้นะทํำมาครก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะสนับสนุนคนดีให้มาทําความดีแเราก็ต้องรู้ว่าเขาดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมค่ะอาจารย์เรต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์อยู่แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นเรื่องที่มัน อันนี้จังอนนัตตาไปอันนี้จังก็คือมันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อ, อันนัตตามันก็เราไปควบคุมบังครับมันไม่ได้เราก็ตามใจของเราไปก็แล้วกันทําเสื่ของเราอเราก็มากําจัดไอ้ตัวไม่ดีที่มีในใจเราก็แล้วกันอการไปทํานี้เขาก็ไม่ดีการไป แต่กรยเกลียดเขาก็ไม่ดีรู้ได้ว่าเขาดีรู้ชั่วแต่ไม่ต้องไปโกรดหรือเกลียดเขาไม่ต้องไปตำหนิเขารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาเป็นกล้วยหรือว่าเขาเป็นส้มถ้าเราไม่ชอบกิ็นส้มเราก็อย่าไปซื้อส้มมากินชอบกินกล้วยก็ไปเลือกกล้วยมากินนี้อ่าแต่ดีชั่วมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ควรเราไปตำหนิเรื่องอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แล้วมันจะทำให้เราการเป็นคนเกยียจชังพูดไปซึ่งไม่ใช่เป็นหลักของความเมตตาเมตตาก็ต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอืมค่ะพระอาจารย์จะน้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็ไปคิดค่ะอ่าคิดได้ค่ะคิดในใจก็แล้วกันไม่ต้องไปกระเพิกไปยุยงให้คนอื่นเขาคิดคิดตามเราเดี๋ยวเราดีไม่ดีเขาไม่คิดตามเราก็ไปทะเลาะกับเขาอีกไงค่ะพระอาจารย์ บางทีก็คันมื อ, อมใช่ใช่ในอินเทอร์เน็ตอ่านโบราณเขาว่ารู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเขอไหมค่ะพราจรให้รู<ๆ>้เฉยๆอย่าไปเอามาแบกในอกทำให้นัำอกหนักใจขึ้นมาเงี้ยถ้าแบบนี้ก็ผิดละค่ะ อ, อย่าไปหนักอกหนักใจกับทุกอย่างในที่เกิดขึ้นในโลกนี้มเป็นเรื่องธรรมดา มีดีมีชั่วมีขึ้นมีมีอะไรผสมกันไปผัดเปลี่ยนไปมาค่ะเราต้องเรื่างแยกแยกนะเอาะอันไหนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปยุ่งเราก็ยุ่งกับสิ่งที่ดีก็แล้วกันค่ะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แ ม, ม้ในสมัยพระพุทธการก็มีพระเทวทัต <laughs> <laughs> ใช่ไหมค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจอเทวมารเหมือนกัน ในพรท่านสมัยนี้มันยิ่งไม่มีพระเจ้ามาเยอะเต็มมาศาสนามันเต็มไปหมดเลยบางทีก็ยากไม่ค่อยออกก็เราไม่ศึกษาแล้วก็ยากไม่เป็นอ่าศึกษาก็ต้องรู้ว่าเด็กของสงฆ์ภาพมีหน้าที่อะไรก็ศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรมไม่แผ่ทำนี่มันไม่มีเรื่องราวนี้อยู่ในที่เป็นข่าวเป็นพวกที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอี่ไหมย ผู้ศึกษาปฏิบัติก็ไม่มีข่าวเขากับใครให้ไหนเขาเรียบร้อยอยังต้องมาจากแย่งแย่มาจากปล่อยวางค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะครับทุกในที่จำาแนกจัดที่ไม่สกปรกอาจารยครับเรามาส่ง ก, การบ้านดีกว่านะ ครับอมีอะไรไหมพี่มีคําถามอะไรหรือเปล่าไม่มีอ่ะโอเคนั่งสมาธิทําได้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็นั่งสิบสามสิบนาทีครับนั่งได้ทุกวันหรือเปล่ก็เกือบทุกวันครับวันไหนที่ไม่ได้นั่งก็จะมาชดเชยครับอ่าต้องชดเชยนะอย่าให้ขาดทุนนะครับวันอยู่เค่ยังมีอยู่ชดเชยเอยนะครับอือ <laughs> โอเคส่งกาบ้านได้เราเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงคนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงคนความตายไปไม่ได้เราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องปลดพลากจากของรัดของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง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 ยอมรับได้ยอมรับได้แล้วแม่ต้องส่งไปอยู่ที่ห้างจังทรับพ่อแม่สักพักหนี่งไหมทาได้ไหมยอมรับได้ไหมส่งไปอยู่กินนอนสักปีหนึ่งสักเทอมหนึ่งทําได้ไหมเคยคิดหรือเปล่าเคยคิดหรือเปล่าวันดีคืนดีพ่อแม่หวานอส่งไปเรียนที่อื่นอยู่ใกล้กันแล้วมัน มันยึดกันเตะกันมันรักกันอ่าจะได้น่าจะได้ยังไม่ใคยคิดใช่ไหมไม่ต้องคิดแั้วเนี่ยอาจคิดไม่ได้แต่วันหนึ่งเคลียอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักอย่างไรไม่มีอะไรแน่นอนเนะี่ยต้องคิดอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้เชเซลาเสลานะ Whenever will be will be แล้วพร้อมกับการที่กับการเปลี่ยนแปลงหรือไมน่นี่แหละคือความหมายของการให้มาส่วนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาาจากกันหนึ่งไม่ใช่ให้ส่วนเฉยๆนะให้มาเตรมตัวเตรียมใจทำการบ้านสอนใจให้ยอมรับความจรงิงเหล่านี้ให้ได้เค แล้วเรื่องของร่างกายมีอะไรบ้างมีผมข น, นเล็บฟันหนั ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตั บ, ตบถ่งพื่ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย<น>อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดี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 เกี่ยนในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่บอดไตผังคื น, คนตับหัวใจมา้าเกี่ยนในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเลน็บขนผมน่างการเราเนี่มีของสวยสวยง า, งานทั้งนั้นเท่าทีกันไปประ ก, กวดกันยังนะ ใช่ไหมใช่สวยไหมสวยงาม ไ, มมาไหมร่างการาไม่สวยครับสวยแล้วทำไมเขาเ้าใจเป็นประกวดกันนะประกวดหนังครับน้ำประกวดน้ำโอเคนะข อ, ขออนุญาตเล่านิดนึงค่ะคือไปซื้อของแล้วพนักงานเขาก็ชมว่าหล่อจังเลยอย่างนะะี้ค่ะจัตตี้ก็ถามคนไหนหล่อครับเขาบอกสองคนพอกลับมาบ้านจะมาเร่น ง, งานเนาะจัตตี้มันก็แค่การสามสิบสองจะมาหลงทําไมนะะักห ก็เขาไม่เคยเรียนสรรมะเขาไม่ร uh, um ู้ก็เห็นแต่ภายนอกไม่เห็นภายในเราต้องการเห็นภายในเพื่อจะได้ไม่ไปหลงรักใครเพราะการรักใครแล้วจะทําให้ทุกเวลาที่เขาไม่รักเราเวลาที่เขาจัดออกไปอยู่คนเดียวดีกว่าโอเคมีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวพอเอาเด็กๆให้เสร็จก่อนนะคุณหมอแล้วเดี๋ยวไปมาคึณหม อ, อะตะวันะตะวันเหมดครับนักข่าวพระจางครับอมีคำถามไหมไม่มีคำถามวันนี้ครับวันนี้ทองตามของได้ไ้ยอาการ12ได้ครับอ่าเป็ามองคนมองเห็นบ้างไหม ไม่ใช่ทำเฉยๆนะเอาไปมองคนนะเวลามองแม่มองพ่อนี่มองอาการสามิสองของพ่อแม่มันก็บ้าก็ไม่เคยทำนะอ่ไม่ทำแล้วมองเ้องไปทำไมท่าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไปเพื่อเอาไปมองเข้าใจไหมมองใครต้องมองให้ก็มองเหมือนเอ็กซเรย์มองเข้าไปใต้ผิวหนังเลยอ่าถึงจะมีประโยชน์ ถ้าท่องเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรอืออก็เอาไปใช้เหมือนเรามีมีดน่ะมีมีดเก็บไว้ในนินช่างไม่เอาไปใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเรามีมีดเราไปตัดตัดผักตัดอะไรทําประโยชน์ได้เี่ยธรรมะขุเจ้าเป็นเหมือนมีดเหมือนเป็นของที่จะไปไปตัดกิเลสตัดความหลงเป็นของที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเนี่ยคือความหลงเราต้องเอาความจริงมายืนยั น, นว่า มันไม่สวยงามมันมีอาการ32นส่มันมีโครงกระดูกนี่มันจะสวยงามตรงไหนเข้าใจไห ม, <c oughs> มต้องหัดมองนะมองเห็นร่างกายใครเราก็ต้องนึกถึงอาการ32ของเขาเลยมีคำถามอะไรไหมไ <c oughs> ม่มนะีครับไม่มีอะไร พระอาจารย์โยไม่มีคําถามเพียงแต่ว่าตอนนี้รู้โยรู้สึกหงุ่นหงิดเรื่องเรื่องเจ้าตะวันนะคะพระอาจารย์อ่าไม่มหงุดหงิดทำไมความอยากใ<ม>ช่ร้อยเอร์เซ็นค่ะพระอาจารย์ความอยากร้อยเปอร์เซ็นต์คพระอาจารย์คืออยากเวลาที่เอ่อเราตักเตือนเขาหรือเราพูดกับเขาด้วยความหวังดีแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ ม, มันเป็นปัญหาเดิมๆที่เคยแก้ได้แล้วว่ะค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่า ปัญหามันกลับมาเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ยค่ะทีนี้โยมก็เลยบอกตักเตือนเข้าไปแต่ว่า เ, เขาแสดงอาการต่อต้านไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยห ง, งุดหงิดนะคะพระอาจารย์ไม่รังไ ม, ไมก็คือว่าอย่างเช่นว่าเ อ, อเมื่อกี้พระอาจารย์จะว่าอะไรนะคะไม่เวลาคุย ไ, ไปให้เสร็จอ๋อก็คือว่าอย่างอย่างอย่าง เ, เขาเคยมีที่ว่าชอบดึงคิวใช่ไหมคะพระอาจารย์ดึงขนคิวแล้วมันมันจะแหว่งไปอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็เคยรักษามาสองครั้งแล้วก็หายไปแล้วก็พฤติกรรมมันก็หยุดไปนะคะจนรู้สึกเมื่อไม่กี่วันรู้สึกจะเริ่มจะเริ่มมาจะเริ่มเป็นอีกแล้วอะคะ่ะพระจายอมก็สังเกตยมกับคุณมาโกก็สังเกตว่าคิ้วมันเริ่มแบ่งค่ะพระจารย์ก็เลยเอตักเตือนเข้าไปว่าหนูไปโดนคิ้วมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระจารย์เขาก็บอกเขาไม่ได้ทํานะแต่ว่าคือหลักฐานมันมีอยู่อะค่ะพระจารย์แต่เขาก็คือปฏิเสธลูกเดียวเลยว่าเขาไม่ได้ทําอ่ะคะ่ะพระจายนั่นน่ะอะไรเงีย้ย ใช่ค่ะเพระเราต้องรร้จัดเราก็คาดหวั ง, ว, งว่าขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับที่ช่วยตักเตือนอะไรอย่างนี้ก็คาดหวังอยู่ค่ะ น, น, นี่มอนเขาเราไปคาดหวังอะไรเขาได้ที่ไหนเราไม่ได้ตามคาดหวังก็ทุกขึ้นาดทันทีเรามีหน้าที่เตือนก็เตือนไปหน้าที่สอบถามเขาก็สอบถามไปแต่็าจะพูดจริงไม่จริงเราก็ ก็บังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วถ้าเรารู้ความจริงเราก็เฉยๆไปไม่ต้องเอามาแพ้เอาชนะกันเราก็ต้องยอมรับว่ามันนี่เป็นนิสัยของเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขายังต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คอยสอนเข้าไปเรื่อยๆใจเย็ น, ยนๆบางคนจะต่อต้านไหมถ้าต่อต้านบางทีก็ต้องหยุดสอนทั่วข่าวพูดไปแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมา การนี้อย่ารักกันอย่ามาเกียวกันก็นกนได้เพรา ะ, อะสอนมากเกินไปแล้าก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาอนเขาแล้วคนจะเชื่อฟังเขาเชื่อไม่เชื่อก็ไมนเป็นเรื่องของเขาไปเขามีกรรมเป็นของของเขานมีนิสัยของเขาติดตัวเข้ามาเราเป็นแบบนี้เราทำได้ก็เพียงแตบอกว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้นะอ ะ, อะ อย่างนั้นจะทนะําแล้วไม่กล้าเป็นเรื่องของเขาอเหมือนเขาไม่ยอมรับว่าเขามีปัญหานะคะพระอาจารย์เราก็พยายามจะชี้มันก็เราก็เครียดเองแล้วก็คือโยมก็ราคาญว่าเดี๋ยวสมมติอ่าคิวแบ่งไปปุ๊บอ่เดี๋ยวจะขึ้นอ่าขึ้นมัธยมแ ล, แล้วก็เดี๋ยวโดนเพื่อนล้อแล้วก็มาบ่นให้พ่อกับแม่ฟังก็ราคาญบางทา ง, งที่แบบว่าเป็นปัญหาที่แบบ หนูก็ป้องกันได้เป็นอย่างดีหนูก็หนูก่อนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูกมหนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนก็หนูก็หนก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็หนูก็านูก็หนูก็หนูก็งรับผิดชอบตัวเองถ้าโรงเรียนรมาหนูก็ ก็คุยกับที่โรงเรียนไปแล้วกันแม่ไม่ยุ่งอะไรแบบนี้คือให้เขาระให้ข้อรับผลการกระทําของเขาเองอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ยยแต่ว่าไอ้เรื่องคิ้วนี่ไม่รู้ทําไมมันโยมยังแบบยังติดอยู่ยังวางไม่ได้ครับอาจารย์ไม่มองเรื่องขนเนี่ยป็นก็เป็นขนนั่นเองเป็นอนิจจังอนัตตามันจะสั้นจะยาวมันจะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีมันก็เป็นเรื่องของมรรคเรื่องของขนนะ่ใชของเราสักหน่อย โยมก็บอกเ้าว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมอไอ้นี่นะหมอเขาเรียกว่าอะไรไซไซเอ่อหมออะไรไซโคหมอหมอจิตหมอจิตวิทยาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ให้เขาแกโยมก็ขี้เกียจจะพูดแล้วเขาบอกเขาไม่อยากไปก็เอาแล้วแต่ละนี่นี่คนนี้ห้องนี้ก็ห้องหมอเท่านั้นหมอ p s นี่ p s y c h i a t อืมเพราะว่าไปแล้วทีนึงเพราะว่าตอนนั้นปัญหามันเกิดแล้วครั้งที่สองใช่ไหคะพระอาจารย์ก็ว่าอ่าลองไปดูเผื่อเขาแบบ เขามีมีเทคนิคอะไรที่แบบที่ที่โยบบอกคุณมาโก้ไม่ทราบอะมันก็คือเหมือนกับว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราทราบอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะพระจานทร์คือเหมือนขาดสติอะเหมือนเขาขาดสติมือก็ไปจับโน่นจับนี่แล้วก็ดึงดึงอะไรแบบนี้คะ<ม>่ะพระจานทร์แต่เหมือนว่ามันเป็นพันธุ ก, กรรมด้วยะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโรคดึงขนนี่เหมือนว่ามันเป็นพันธุกรรมด้วยค่ะพระจันทร์เป็นก็เป็นกเฮ้ยทำยกัเรืงไงถาม ใช่ครับอาจารย์เขาเพียงแต่ไอเขารู้จักเอาตัวรอดเขก็อพอเขก็อพอใจแนละ้ว่องจากเรี้ยงป่านเลียงเท้าด้วยงได้อพอตอนสมัยนี้มันเจริญมากจนกระทั่งมันอะไรนิดอะไร ห, หน่อยไม่ได้มันต้องเปียกๆต้องดีต้อง100เพอร์นะเฟกต์รอยเเซ็นต์มันก็เลยวุ่นวายกันเย่างนี้แล้วยอมจะวางใจยังไงคะพรอาจารย์เดี๋ยวมันต้องมีบทอันเนี้เพื่อล้อและคิ้วแบ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ ก็ฟังไป ก, ก, ก็ฟังเข้าไปไม่ใช่เขาจะบอกแล้วก็ฟังไปอโสดน้ำหน้าดีไหมครับไม่ต้องสมน้นหน้า <c oughs> เดี๋ยก็หาว่ามันไม่สงสารเขาเอาง <c oughs> ก, ก็เฉยๆเข้าไปะค่ะป้าอาารปัญหาคืออย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายก็แล้วกันทําหน้าที่ของเราไปสอนได้ก็สอนบอกได้ก็บอกห้ามได้ก็ห้ามแต่ทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวาง ไหวเป็นกรรมของเขาไปใช้อุเบกขามันใช้เมตตาสุดสุดโตสุดแล้วเมื่อมันไม่สําเร็จก็ต้องใช้อุเบกขาต่อไหวาวางพระอาจารย์บางทีโยมก็คิดเอ๊ะรู้จะเลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีค่ะพระอาจารย์คือว่าให้มันอยู่รอดแล้วก็ให้อาหารกินเลี้ยงดูให้ปลอดภัยอะไรแบบนี้ปัจจัยสี่ค่ะพระอาจารย์แตว่าแล้วโยมก็คิดเอ๊ะแต่ก็เป็นคนนะมันก็ต้องสอนบ้างอะไรแบบนี้ค่ัพระอาจารย์แต่ แต่คิดว่าโยงปัญหาของโยมคือสอนแล้วปุ๊บสอนแล้วไม่ปล่อยคือจะให้จะให้เขาเชื่อฟังแล้วให้ให้เขาทําตามสิ่งที่เราเห็นว่าดีแบบนี้คะ่ะพระอาจานั่นแหะมันเลยทำให้เราถูกปัญห า, <ร>าของโยมอ่าทําให้เราเงินเงินขึ้นมาใช่คะ่ะพระอาจารย์สอนแล้วต้องปล่อยมีหน้าที่สอนก็สอนไปเขามีหน้าที่ฟังก็ฟังไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาไปแล้วก็ไม่เชื่อเชื่อพูดกับคนหูหนวกก็แล้วกันอ่าเขาฟังไม่ได้ยิน ทำมัน อ, อยู่แต่ไม่ได้ยินไม่เข้าใจไม่อยาไปใช้นะมาแก้ปัญหาที่เร า, มาไมอย่าไปแก้ปัญหาที่เขาเลยก่อนที่ไม่แก้ปัญหานคนอื่นเราต้องแก้ปัญหาของเราให้ได้ก่อนค่ะ<ม>อาจา่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยไปแก้ปัญหาใครนั้นก็กลับไปสร้างปัญหาให้กับตัวเราขึ้นมานเราไม่รู้สึกตัวใช่ค่ะเราสามารถทําอะไรสอนใครได้เราไม่รู้สึก อุ่นเงินอุ่นเงียบนำคาญใจแล้วถึงค่อยไปสอนแล้วยังสอนแล้วยังอุ่นเงียบนำคาญใจอยู่ก็ยังไม่ถือว่าไม่ควรจะไปสอนไทยแต่คิดว่ายมคิดว่าลึกๆโยมคิดว่าเหมือนอย่างอย่างกับหยับ ก, กับคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่พูดไม่สอนเพราะว่าเหมือนกับว่ายกท่านไม่เหนือหัวแบบนี้คะ่ะอาจารย์แต่เหมือนลูกความรู้สึกมันมันเหมือนกับว่าเออเรามีอํานาจเหนือเขาอย่างเงี้ยซึ่ ง, ซ, งซึ่งอันนี้ก็คือว่าก็ <lleicht S 2> สอนได้ก็ออสอนได้<ๆ>ไปไหนจะไปอุ่นเงียบทันอีกทับ รู้จับขอบเขตนหน้าที่ของเราไปสอนเขาแล้วก็ต้องคา้เขาทําตามที่เราสอนนี่เขาไม่ทําตามจะทํำยังไงใช่ไหมต้องรับผลของเขาไปละกันทำมาบ่นให้ฟังก็เนาะก็รับฟังก็อาจจะพูดเขาได้เหตุผลเนี่ยแม่เนี่ยพ่อไม่เชื่อแม่มาเลยเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อแม่มันก็ยังไม่มีอย่างนี้ตามมาพูดได้ ให้มันเป็นการสื่อสารเลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเห็นด้วยผลอย่าใช้อารมณ์ก็ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่าเอาแพ้เอาชนะกันอันส่วนใหญ่มันมันากจะกลายเป็นเรื่องของการเอาชนะแพ้กัน อ, อ่ะตอสนัของคุณแม่เป้าเอไาไมออกชนะแม่เป้าจริงเอรอ เขาบอกวกานไีไ่กินก็อยากชนะตอนแรกอยากชนะ<ม>ใช่<ม>ัหมตอนนี้นะไม่อยากหรอใช่ไหมเพราะอะไรฟังพระอาจารย์ใช่ไืมอยู่ตัวหน้าพระอาจารย์หงอยเลยครับเมื่อกี้แล้วเถียงช่อช่อชอชอ่ อ, อเลยลืมลืมธรรมะไปหมดกิเลสมันครอบงํามายเข้ามาครอบงำอย่างนั้นเลย อ, อัตตาตัวตนมันมันไม่ยอมใครใง่ายๆครับพระอาจารย์ พระอาจารย์เราเรื่องอนิสัยพวกทิฏฐิเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาตักเตือนแล้วไม่รับฟังแบบเนี้ยมันก็ก็เป็นนิสัยที่ที่สั่งสมมาเป็นอุปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นปินอนุสัยใช่ไหมคะพระอาจารย์อนุสัยเป็นเจริญนิสัยเป็นสันดานเขาบอกว่าอ๋อคำสันดานอ่าสิ่งที่มันติดนะครับตัวเขาก็เป็นอย่างนี้มันตลอดอย่างที่บอกก็เป็นกล้วยจะเปเปลี่ยนให้ก็เป็นส้มอย่างงี้ยเปลี่ยนไม่ได้ ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันไม่เกี่ยวกับศีลธ ร, รรมอ่ะเพราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าตะวันเนี่ยโกหกน่ะพูดโกหกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนฟานะคะพระอาจารย์โดนไม่เลี้ยวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับศีลธรรมก็ก็โอเคยุ่นยวนไปแล้วกันก็รับผลเองก็แล้วกันอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อืมโอเคค่ะพระอาจารย์หมดแล้วใช่ไหม พระอาจารย์เดี๋ยวนะครับคือโอพระอาจารย์พอดีว่าเมื่อวานนี้อ่คุณมาโกถามพระอาจารย์เรื่องที่ว่าเอตอนไปหาหมอใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็พอดีว่าได้คุยกับหมอเนี่ยเรื่องที่ว่าคือไม่ได้พูดเชิงว่าเราดูอสุขภาพอะไรแบบนี้คือว่าสนใจดูเกี่ยวกับอะไรอ่ะการผาตัดแบบนี้ค่ะพระอาจารย์นิยมสงสัยว่าอคนที่ดูอย่างเนี้ได้อ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมีอุเบกขาใช่ไหมคะพระอาจารย์ เพราะว่าอย่างอย่างหมอผ่าตาัดหรือว่าผู้ฆาตกรอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ดูได้อะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้กลัวรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันอันนี้มันแ ล, แล้วแต่ชนิดของแต่ละคนไงอ๋อมไม่เป็นที่ชนิดบางคนดูไม่ได้ไปดูสมก็จะเป็นลมเนี่ยมันปฏิกิริยาต่อภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่แน่เนอยู่ที่อุเบกขาอย่างเดียวอ๋ออืมคนทานเด็ดการจะชอบดูพวกนี้ก็ได้ อ๋อค่ะภระอาจรยแล้วก็พอดีว่ากเ็เขาก็เล่าหมอ ก, ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอย่างตอนเขาเรียนเนี่ยพวกนักศึกษาแพทย์เนี่ยออาจารย์จะสอนให้มองเกี่ยวกับร่างกายที่ที่ที่แบบแบบผ่าเนี่ยมองให้เป็นเหมือนรถโยนอย่างเงี้ยเป็นอะไรรถโยนเพื่อจะได้ไม่รู้สึกสงสารเขาไม่รู้สึกมีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ อันนี้เป็นวิธีที่เขาฝึกอือันนี้มันเป็นมันเป็นปัญญาไหมคะทาให้กุดอุเบขาที่จะทําให้แบบไม่กลัวีคก็เป็นปัญญาของเขาไหมเป็นปัญญาเพื่อที่จะทําหน้าที่ของเขาคือโอ้ตัดเป็นอะไรต่างๆได้เขาก็ต้องอืมแต่มันคนาจะเป้าเขาจะเป้าหมายกับทางโลกนะเป้าหมายอ๋อเป็นปัญญาทางโลกที่มันมันไม่เกี่ยวกับบาคเกียร์ใช่ไหมคะพระอาจารย์เพื่อการไม่กินเดียวธรรมะกินเป็นหน้าที่ ค่ะผ้าจารย์อืมแล้วงเราเราไม่เนี่ยมาดูแบบนั้นนามาดูเพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยงามเพื่อกําเพื่อกําจัดความนํารักการมาราคะอืะผู้าจารย์พวเราเป้าหมายกันยิ่งดูมันก็จะใช้นั่งกายจะใช้นั่งกายเหมือนกันดูอวัยวะเหมือนกันหมอเขาดูอวัยวะเพื่อรักษา เขาไม่เล่นดูมาเพื่อให้น้องไม่สวยไม่งามเวลาเขาไม่ได้เวลาที่เขาไม่ได้ทํางานเขาก็เขาก็าไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ mm hmm. เราเห็นใครก็เห็นเขาก็จะเห็นแบบรธรรมดาเห็นก็สวยงามหรือไม่สวยงามไปเราไม่เคยคิดว่าจะเอาภาพเหล่านี้เข้ามาสอนเขา mm hmm. น, นอกจากบางคนอาจจะมีมีอุปนิสัยมองแบบนี้มาก่อนก็ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เท่าหมอทั่วไปเห็นว่ามันต้องหมอต้องไม่มีลูกไ ม, ม่ต้องไม่มีภรรยาไม่มีสามีเสียสิทำไมเพราะเขาไม่พอเขาออกจากห้องเรียนเขาก็ปิดแล้วเขาก็ไม่ไปคิดถึงมันแล้วเขาจะเอาความรู้นี่มาแค่ทํามาหากินแล้วถ้าเรียนต้องเสียเขามาเพื่อตอบข้อสอบที่เขาต้องทำ<ม>พอเสร็จแล้วเขาก็ไม่ไม่สนใจเพราะิเลืในใจใจเขาพยายามปิดกัน้นไม่เขาหมองอยู่แล้ว กิเลสไม่ชอบให้เรามองของพวกนี้เราต้องบังคับจริงๆทเถึงจะมองได้อกิเลสมันชอบให้เราไปดองของสวยๆงามๆกันภาษาเขาแล้วอย่างอย่างศพที่มันตายแล้วสองวันอย่างเนี้ยคือมันอื่นออันนี้คือก็คือศกปลกอ่ะแต่ทําไมบางคนอพอดีโยมเห็นสารคดีมันมีฆาตกรที่แบบว่าฆ่าคนตายปุ๊บแล้วก็ อีกสองวันถัดมาไปข่มขืนศพที่ตัวเองฆ่าแบบนี้ครับท้าชื่อมันอื่นแล้วอันนี้คือมันเรื่องของเขาอ่ะมันมันเป็นอุมันมันเป็นสิ่งที่ควรจะมองว่ามันโศกปลกแต่ว่าเขามองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการมารมณมันก็ขออันเดียวกันคนสองคนมองไปคนละมุมกันมันจะเกี่ยวเพราะพระจารย์พระชาติจิตาเขาเกิดเป็นอะไรแบบนี้มันก็เลยอุปฏิเสธมาเลย เข้ามาอย่างนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์นี่คือโยมแค่สงสัยเฉยๆค่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับโยมนะคะโยมก็คสงสัยเฉยๆไม่รู้ก็ไม่นำไปสงสัยมันก็รู้ว่าเขาทําอย่างนี้ก็แล้วกันอาจจะเกิดเป็นนอนหรือ้วล่าว่าเขาเขายังหลงอยู่หลงหลงใจโมหะวิชาภาพงามจิตใจไม่เห็นสภาพการเป็นจริง อ แ, แต่ถึงขนาดก็ศพเลยนะคะพระศพที่คนอื่นแล้วเขาอาจจะมองว่าเขาเมื่อหาหาร่างกายคนเป็นแม่นางเขาก็เอาศพก่อนก็ได้ครับอาจารย์โอ้ครับอาจารย์ทำไมนี่เขาทําุกตาเพียร์มันขึ้นมาทําไมมันเหมือนศพเลยใช่ไหมใช่ครับพระอาจารย์ใช่เห็นมีแต่ง ง, งแต่งงานเกษเสร็สัพท์เลยค่ะพระาอาจารย์อ่าโอย่างไง ตุ๊กตาไม่สมไม่มีอารมณ์มันไม่ด่าเราไม่ว่าเราตกประจา์ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ตุ๊กตามันไม่มีกลิ่นนะคะพระอาจารย์แล้วบางทีก็ใส่กลิ่นเข้าไปอย่างนี้ทำให้มันหอมขึ้นมาใส่กลิ่นอืมค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็มีตำรีก็พระอาจารย์พอแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปยาวอ่ะอ่าอืม เราให้รู้ในการดูร่างกายทางพุทธศาสตร์นะดูเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เกิดเรื่องรากกิเลสความรักความความกำหนัดยินดีกับร่างกายของคนผ่าผ <Okay, S 2> ่าจ<ม>านโอเคนะอ่ามีเด็คนหนึ่งยังต้องเคลียร์ค่ะอพเด็งชายาชพี่อยู่ว่างพี่ได้ยินยังอยู่หรือเปล่าอยู่ครับอ ย, อยู่อยู่อยู่อีกหน้าหนึ่งครับอ่าพี่เข้ามาได้เปิดเสียงน้องพี คุณแนะก่อนมันจาการรองกครคุณแมไม่อยู่นะคุณแม่อยู่ข้างล่างครับอยู่อยู่ก่อนก้มัสารมีคาถามอะไรหมมีครับว่ามาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดนี่ตาตาไปแล้ว แล้วชาติชาติต่อมาก็มาเกิดเป็นคนอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะหน้าตาเหมือนเหมือนชาตินี้หรือเปล่าก็แล้วแต่พ่อแม่คนเดียวกันเทือเปล่าถ้าพ่อแม่คนเดียวกันมันก็หน้าตาเหมือนชาตินี้ถ้าได้พ่อแม่ที่เราได้คราวนี้มามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้กลับมา่ถ้าไปได้ถ้าได้พ่อแม่เป็นฝรั่งมันก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้แลมันก็เป็นฝรั่งมา นะแต่พ่อแม่ที่เราไปที่เราไปรับลูกที่เขาพอดีขึ้นมาพ่อแม่ก็เป็นเหมือนโรงงานผลิต้นยน ต, ยนต์นะบางคนก็บริษัทโตโยต้าก็ผลิตรถยนต์โตโยตา้าบริษัท ร, รถเบนซ์เขก็ผลิตรถเบนซ์้วแต่เราจะเป็นโรงงานไหนใช่ไหมเวลาเราไปเกิดแล้วก็เราก็ไปรับร่างกายซึ่งเป็นเหมือนับของที่ในท้องแม่ของเราเนี่ยแม่เราก็เป็นโรงงานผลิลรตรูปใช่ไหมผลิต้นยนต์ เพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ของเราเขาไม่ีหน้าตาอย่างไรแเราก็จะแลกหน้าตาแบบนั้นจากเข า, าแต่เราจะไม่ได้ น, นิสัยของเขามานิสัยนี่จะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเหมือนเด็กชายพีที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือก็อคือติดเป็นสันดานใช่ไหมอ่าติดเป็นสันดานอันนี้ไม่ได้เอามาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนดีเราเป็นคนชั่วนี่เราก็ยังเป็นคนชั่วต่อ เพรแม่เป็นคนชื่วเราเป็นคนดีเราก็จะเป็นคนดีต่อไม่เกี่ยวกันเนื่องสันดานสายไม่เกี่ยวกันค่ะเข้าใจไหมค่ะอ่าทำาชอบหน้าตาแบบนี้เลยอยากจะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยไม่ไม่ค่ะเวลาเวลานั่งเล่นเล่นเล่นเล่นเพินก็เอ่ออยว่ดีๆก็นึกคําถามนี้ขึ้นมาอ ก็นี้ยังชอบคิดชอบถามอยู่กนแสดงว่าเป็นคนที่มีความสนใจใฝ่รู้มีอะไรอยากถามอางไหมอะไรบ้ามไม่มีคม่ะน้เคจจริงๆแลน้วก็มีอีกถามถามจริงจริงหนูก็มีอีกคำถามแต่ลืมอีกแล้วค่ะ พอนั่งจดไว้เถอะถ้าคี้ลืมก็ต้องจดไว้จะได้ไม่เลื่ อ, อมนะเอาไปถ้าอยากจะถามอะไรคิดอะไรรู้ว่าเป็นความคิดที่เราต้องต้องจําจําไม่ได้กลัวจไม่ได้ต้องเขียนใส่กระดานไว้ค่ะให้หลวงตาสอนอยู่แต่ผู้นี้จะ่เรจะไปโรงเรียนแล้วลูกพีจะต้องทําตัวยังไงครับใหเป็นที่รัก ของทุกๆคนครเป็นคนน อ, อนน้อมของตนขครับูพบุรีผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ออาจารย์ไม่อย่าดื้อเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายเรเป็นนักเรียนแล้วต้องทําหน้าที่ของนักเรียนคือเรียนหนังสือเชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วเราจะได้ประโยชน์ได้ความรู้แล้วก็ได้รับความรักจากทุกคนแ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยมาพูดอะไรไม่ที่ไม่ดีกับกับเราคะ่ะแล้วถ้าเลิดเราไม่สนใจแล้วเขาก็เขาก็จะทําให้มันหนักกว่าเดิมเราจะต้องทอํายังไงคะ่ะก็เดินหนีไปเนี่ยอย่าไปมีอย่าไป ม, ม, ม, มีเรื่องกับเขาให้อภัยเขาแล้วก็เดินหนีไ ป, ปอย่าไปชนหน้ากันอี่าไปพูดอะไรนี่อย่างเดียว เขาจะพูดยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจเนอกแสดงว่าเ้าเขาก็าจะเป็นสุนัขแล้วเ้าจะชวนให้เราเป็นสุนัขกับเขาไม่ใช่ไหอ่าใช่เราจำไปกัดจากเขาดีใช่ไมใช่เป็นคนก็ไม่กัดกับใครใช่ไหมใช่ไหมน้องพีพีจะไปกัดกับเพื่อนเ้างกัดไหมไม่กัดน้องพีเป็นงพี่ฉกเวยพีไม่กัด พยายามพูดโทพูดโทไว้เวลาใครเข้ามาทําร้ายทําพูดอะไรไม่ดีแล้วทำให้ใจเราไม่สบายก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพูดโธพูดโธแล้วเดินหนีไปครับถ้าเกิดเพราะว่าออมีในในเรื่องที่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนสนิทกับหนูเขาไม่ค่อยไม่พอใจอไม่พอไม่พอใจหนูแค่หนูแค่ถ่ายรูป ก, กับเขา เพื่อแบบว่าที่เป็นที่ ล, ลึกแค่แม่ค่ะแต่เขาบอกว่าให้ลบเดี๋ยวนี้ลบเดี๋ยวนี้หนะูบอกว่าทําไมหรออยากเป็นเพื่อนกันน่ะเราไม่ไอ็นี้หรอแล้วอยู่ดีๆเขาก็กระโดดมาเอ็นี่อั้มหนุนแล้วก็ล็อกแขน ล, ล็อกขาแล้วก็บอกว่าจะลบหรือว่าไม่ลบแล้วหนูหนูหนูควรจะต้องทํายังไงครับนอกจากนอกจากการที่ไม่สู้เขากับเพราะว่าเป็นบาป ก็ลบไปก็แล้วกันก็จะได้จบเรื่องเขาอยากให้ลบก็ลบไปมันจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตยายตรงไหนเลยดเพราะคือเพราะคือเขาอยากมีคาลิเกอร์ของเขาเองเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้นะเราก็ทำได้ก็คือเราอย่าไปยุ่งกับเขาต่อไปถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่ไม่ต้องไปมีเรื่องกับเขาไม่ต้องไป ไปกัดกันทะเลาะ ก, กันอยอมหยุดเย็นครับจำคำนี้ไว้ยอมยอมแพ้อถอยยอมแพ้หยุดหยุดต่อสู้แล้วใจเราจะได้เย็นสบายคจำไว้ลนะสามยอมเข้าใจไม่ยอมยอมอ่ะก็จะให้ลบก็กลบไปก็จบหยุดต่อสู้กัน แล้วพอไม่มีการต่อสู้กันใจเราก็จะเย็นสบายเพราะเราดื้อเองแหละเราดื้อเองอ่ะถึงทําให้เขาเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดดีแต่เขาไม่ชอบก็ต้องปล่อยเขาวันนี้หลวงตาวันนี้ฟังทำที่หลวงตาสอนตอนบ่ายหลวงตาบอกให้อภัยใช่ไหมใครทําะไเราก็ให้อภัยใช่ไหมเพื่อนจะทำร้ายเราจะพูดอะไรไม่ดีก็ให้อภัยครับ ถึงเวลาเขาก็รับกรรมในสิ่งที่เขาเป็นของเขาเองถ้าเราไม่เอาคำของเขามาใส่ใจเราก็ไม่เป็นทุกตัวเขา่าเป็นทุกเพราะเราไม่สนใจเขาเนอะครับแล้วก็ถ้าแล้วแล้วก็แม่หลอดหลอดจะพูดได้ไหมว่าหลอดใช่สอนกับเขาอือต้องพูดหรอกเรื่องแค่นี้ก็พอแล้วูพแค่หลวงตาสอนว่าหนูควรต้องทําตัวยังไงให้ให้พูดโธ ให้อภัยทานนะอล้วโธเป็นเด็กดีอย่าไปมีเรื่องกับใครอย่าไปอย่าไปบุรลี่เขาก่อนอย่าไปพูดอะไรถ้าทำให้เขาโกรธเราแล้วเขาก็จะมาลั่งเขาก็จะมารั่นแทนเราเอีอย่าพูดคําวาจาสุภาพเรียบร้อยพูดดีๆพูดให้เขามีความสุขอย่าไปพูดให้เขามีความทุกข์เช่นอย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขา เฉยๆไปเห็นเขาเห็นเขผิดเราก็เฉยๆไปไม่ต้องไปว่าเธอไม่ดีเธอทำนี้ไม่ถูกไม่ใช่หน้าที่ของเราพอเราไปพูดแล้วเดี๋ยวเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาก็จะกลับมาว่าเราแล้ ว, ลวคุณบบเป็นยังไงไปไปไปประมาณแล้เถียงกันทะเลาะกันอีกหรือ <c oughs> เรื่องอื่น น, น, นื่นพูด <c oughs> วาจาที่ดี <c oughs> พูดด้วยความเมตตา <c oughs> พูดเพื่อให้เามีความสุข <c oughs> อย่าไปพูดเพื่อใ้ามีความทุกข์ มั่นใจไหมค่ะอ่าจะมีเพื่อนเยอะว่าก็มีความสุขเวลาเขาอยู่ใกล้เรานให้ความสุขกับเขาแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็คือการให้ความสุขกับผู้เราต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดอยู่บ้านนั่งสวดคนเดียวนี่ยังไม่ได้แผ่เมตตาการสวดที่เป็นการสอนใจเตื่นใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราเจอกัน แต่เวลาแผ่จริงๆต้องแผ่ด้วยการกระทาเจอใครก็ถามเพื่อนสบายดีหรอคิดถึงเพื่อนนึเกินไม่ได้เจอกันตั้งเดือนนึงอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจใช่ไหมพูดคำวาจาที่ที่ทำให้คนฟังแล้วก็มีความสุขนะอย่าไปพูดในสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ไม่สบายใจถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่สบายใจก็ขอขอข อ, ขออภัยเข้าไปว่า ขอโทษไม่ได้ตังใจอย่ากทาให้คุณไม่สบายใจเนี่ยทําตัวแบบนี้เราจะเป็นคนที่น่าละส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนพื่เพื่อนๆเขาจะมาบูลลี่คนนี้อืันนี้ก็จะเป็นฝ่ายลับอย่างเดียวเพราะเพื่อนเขาอาจจะแบบว่าเห็นว่าอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของครูต่างชาติแล้วเพื่อนเพืนเขาอาจจะไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแบบ บบอิจฉาบ้างอิจฉาชี่เอยก็เล่น <ตะ S 1> ของของไปก็พยายามอีกเรื่องคนเหล่านี้ไปก็เลยไม่ได้คิดว่าเป็นการสร้างบารมีไปสร้างคันติบารมีไป<ด>เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหลานได้เรต้องมีขันติบารมีมั้ยใช่ไหมต้องมีความอดทนต่อความทุกข์ยากลําบา ก, กต่างๆแข็งขันติยากมากนะคะหลวงพ่อที่จะแบบ <No S 2> ใจพุโทโธ <in. S 2> ใจพุโทโธช่วยเวลาใจไม่มีความอดทนก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจก็จะเน่งยว่าจะเฉยได้ค <Okay. S 2> ันเตนี่เป็นอะไร mm hmm. ที่ฝ่าฟันค่อนข้างจะยากมากๆที่จะว่าขันเตเป็นธรรมที่สําหรับกําจัดข้ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงค <Okay. S 2> ันตแตโปติติขาขเป็นธรรมสาหรับดับไฟดับความทุกขใจต่าง เผาผ่านกิเลสนัดบดับไฟกิเลสตีติดขาอาโป้น้ำใช่ไหมคะไม่ท่านตีอโปติติดขานี่ท่างแปลว่าอ่ขันตินี้เป็ น, เ ป, นเป็นผู้แผดเผากิเลสเป็นไฟแผดเผากิเลสคือความโกรธความเกลียดความอะไรนั่นค่ะนั่นคือขันติว่า พอดีจะฝึกขันติก็คใช้พูดโธนี่แหละทำพุทโธพุทโธไปเวลาใจไม่มีคำว่าทนพุทโธพุทโธพุทธธไปขันติกับอุเบกขามันก็ตัวเดียวกันสร้างอุเบกขาขึ้นมามันก็จะมีขันติตามมาันต้องมีความเสื่อย่างมากเลยคะ่ะเวลาแบบ <c oughs> คือบางทีพูดบางทีเวลาสอนนะ้องพีเหมือนกันคะ่ะบางทีแบบ พูดหนึ่งสองสามแล้วไม่ฟังโอ้โหมันต้องเพิ่มเลเวลระดับสี่ห้าหกพูดแล้วไม่ฟังว่าคือพูดดีๆแล้วไม่ฟังพอดุแล้วถึงยอมฟังผมไม่เข้าใจว่าหนูเป็นอะไรพอทำไมชอบชอบให้ดุเหรออะไรนี้พูดดีๆแบบชอบไม่ชอบให้พ่อแม่เป็นเป็นเป็นนางฟ้านางสาวันทำไมชอบให้เป็นยักษ์เนี่ก็ถามอาจจะคิดว่าพูดเ น, น้นๆมันไม่ไม่สีเลียนอะไรง่อ โอเคนะมีอะไรอีกไหมอ่าหนูรบกวนสอบถามหลวงพ่อ อ, อ, อ, อีกอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะที่วันนี้ที่หลวงพ่อเทศสอนเรื่องเกี่ยวกับการแผ่เมตตานะคะอย่างบางทีอญาติเราหรือคุงพ่อคุณแม่อย่างเนี้ยค่ะป่วยแล้วเราไปทําบุญอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เหมือนว่าแผ่ความปรารถนาดีให้กับกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาป่วยให้เขาแบบว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้รับ ในบุนตรงนั้นแหละก็มันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอไปรับภาษาพยาบาลให้หน่วยเบาๆไปทําบุญกันว่าขอให้หายเจ็บหายไข้กันมันไม่หายหรอกการปรารถนากับการการทํามันไม่ตรงกันปรารถนาให้เขาหายแต่การการทํามันไม่ได้ทําให้เข้าหายเราก็ต้องมองความจริงว่าความจริงมันทําให้เข้าหายได้หรือเปล่าะ ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องทำใจเป็นวางอุเบกขาเฉยๆไปว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดางลงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้เราไม่ยอมรับความจริงครั้งนี้กันว่าเห็นใครเจ็บก็อยากใช้ก็หายอย่างเดียวจะหายหรือไม่หายก็ไม่สนใจขอให้หายอย่างเดียวแล้วพอไม่หายก็เศร้าใจเสียใจกันครับตอนตอนคุณพ่อหนู เขาเข้าโรงพยาบาลนะหนูก็มีความรู้สึกคือมันฝังด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาคงไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแน่นอนหนูก็แบบว่าคือรู้อยู่คนเดียวก็ไม่สามารถพูดให้พี่น้องหรือแม่ฟังได้แฟนก็จะคอยมาซอนทำมาตลอดจนทําให้หนูเข้าใจมากคือเมื่อตอนนั้นคือคือกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคือเสียใจมากคือมันกระทังหันนะคะหลวงพอ่อ มันก็เลยแฟนหนูเขาก็มาปลอบใจมาพูดเหมือนที่นุ่งพ่อเทศเนี่ยค่ะมาพูดให้หนูฟังจนหนูแบบ ก, ก็เข้าใจเขาก็พูดว่าเราศึกษาธรรมะแล้วเราต้องเข้าใจการเกิดแก่เจ็บตายคือตอนตอแรอก็มาปฏิบัติให้ได้่ตอนนี้ก็เหลือคุณแม่คนเดียวเขาไม่ร้วนหนูจะต้องทําใจต้อง ท, องทําใจก็แบบเดียวกันอน่ะก็คุณแม่ค<อ>ุณพ่อคุณลูก สามีหรือใครมันก็เหมือนกันทั้งนั้นต้องแก่เจ็บตายด้วยกันท<ช>ั้งนี้ไม่อยอมรับความจริงยังไม่อยอมรับให้คุณแม่ตายเลยใช่ไหมทั้งทั้งที่ด้วยจะต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มู้จะทําใจไงเพราะไม่อยอมทําไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงมันก็จบเข้าใจน ะ, น ะ, จนะโอเค อ่ะตอนนี้ก่อนนะค่ะขออนุ ญ, ญาตเข้าไปฟังในยู u ูบต่อไปเด้อได้ตามสบายเออคุณหมอพี่เชนยังอยู่นะเชนเชิญคุณหม อ, อกล่าวธรรมสถารพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายความเป็นจริงของโลกนี้ครับพระอาจารย์ความใจความเป็นจริงก็าตายนักก่อนเลคือความเป็นจริงของโลกนี้นี่คือลักษณะของของ ของคนสบับดาษของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซาเบสังขาราอันนี้จะสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วข้าวมีเกิดแล้วก็มีดับเป็นธรรมดาเป็นดํอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเป็นผู้ที่จะมาสั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้แล้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาไม่มีใครสร้างมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรียกว่าอนัตตาเหมือนฝนตกแดดออก มัไม่มีใครมาสร้างมันมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดขึ้นมาเราต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติร่างกายเราก็เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติเหตุปัจจัยก็เคยมีพ่อแม่มามาผสมบูงแต่งกันเอาเอาส่วนของพ่ออองแม่ผสมกันแล้วธรรมาชาติมก็ทําหน้าที่ต่อไปเองเนะธรรมชาติพอแม่มีหน้าที่เอาเอาท่าสี่ของตนมาผสมกัน แล้วมันก็เริ่มขยายตัวมนกลายเป็นร่างกายอันใหม่ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีใครมาสร้างร่างกายนี้ถึงแม้จะอยู่ในท้องงเราร่างกายเราก็ตามแต่ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ตัวตนมันมันไม่มีตัวตนมันเป็นผลผลงานของธรรมชาติผลิตขึ้นมาแต่ใจเราพูดมาครอบครองไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวตัวตัวตนตัวเราของเรา ซึ่งไม่ใช่ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องมีตาหูจมูกนิ้วกา ย, ยาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันประกอบมาจากธาตุสี่นิน้วไฟมันรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันนี่คือก็จะทําความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างของสภาวะธรรมทั้งปวง สเปสังขารานิจาสิ่งที่ประกอบขึ้นมาย่อมมีการเสื่อมเป็นธรรมดาสเปธัมมาณตาสิ่งที่ไม่ได้ประกอบกันหรือประกอบกันมันก็มันก็เป็นไม่มีตัวตนมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นธาตุเป็นธาตุธาตุธาตุสีนน้ำลงไปธาตุรู้แล้วก็อาวากาศสาัทธาก็มีธาตุนี้แหละสาารณความดีของโลกนี้เราใจผู้มาหลงมาครอบครองอะไรก็มา ให้ความสาคัญยกสมมติขึ้นมาว่าเป็นนน่นเป็นนี่กันขึ้นมาเพราะต่างความสามารถกันทั้งนี้น ค, คนที่มีสามารถมากเขาเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตคนที่มีสามารถน้อยก็ต้องเป็นไพ่เ ป, เป็นผู้รับใช้ผู้ที่ฉลาดกว่าทั้งนี้แต่มันก็เกิดแต่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะ ฉลาดขนาดไหนถ้ามีร่างกายไม่ร่างกา ย, กกา ย, ยากมาานานาายันก็ต้องแก่เจ็บตายกันด้วยกันทุกคนแม้แต่พวกท้าเจ้าฉลาดขนาดไหนก็ต้องร่างกายของท่านก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ท่านฉลาดตรงที่ว่าถ้ามันจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่ดีถ้าไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว น, นี่คือคุณลักษณะของคนคนฉลาดจริงคนนี้ไม่ฉลาดก็ยังจะกลับมาเกอดอยู่เนี่ย เพยังร่กความอยากไม่ได้ยังอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากได้าดลาบยศสรรเสริญอยู่ก็ต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมาเกิดมาเกิดแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าต้องมาแก่มาเจ็บมาตายคนนี้ไม่ยอมมองนันมองแต่าลาบยศสรรเสริญสุขกันผู้จารย์ถึงต้องมาคอยเ น, ะน้นสอนให้พวกเราคิดอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา เพื่อที่เราจะได้ขยันกับการเกิดนบวงการเกิดแต่ถ้าถ้าไปมองแต่ลาภยศสารสังเกิตมาแล้วจะได้มาหาลาภยศสารสังสมมันก็ยังจะกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆแต่พอเวลามันแก่เจ็บตายเนี่มันทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่ไม่มีใครรู้ต้องต้องเป็นเองถึงจะรู้พอรู้แล้วมันก็สายเกินไปแล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ เพราะเหตุที่ทำให้มันเกิดไม่ได้ถูกกาจัดเนี่ยคือการมาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิเพราะว่าตัญหาดังนนการมองว่าโลงนี้เป็นของไม่เทียมันก็จะช่วยตัดตัญหาเหล่านี้ได้เมื่อมันไม่เทียมมันก็จะทําให้เราทุกข์สิ่งที่ให้ความสุขกับเราพอมันหมดไปมันก็ทําให้เราเศร้าใช่ไหมต่อไปเราก็จะไม่อยากได้ในสิ่งอะไรที่เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา เราก็จะตัดความอยากได้ตัความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับาาร <Okay. S 2> อาจารย์ขอบคุณผู้สูงครับสาธุคุณนันทภัทรคุณวนราชธานีลานวัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่มาม า, ามีอะไรบ้างวันนี้กับเขากัด สอบถามคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะก็คือถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติถึงการเข้าสู่สภาวะสงบเป็นสมาธิอย่างเช่นกายหายหรือลมหายใจหายแล้วคือมีครูบาอาจารย์บอกว่าถ้ามีความสงบแล้วให้ถอยออกมาพิจารณาอยากราบเรียนพระถามพระอาจารย์ว่าสภาวะที่ถอยออกมาพิจารณาที่เหมาะสมในการพิจารณาเนี่ยต้องเป็นสภาวะแบบไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์ ให้มันออกมาเองไงเดี๋มันก็ต้องออกไองมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะถอนออกไาเถ้ามันยังไม่อิ่มตัวก็อย่าเพิ่งไปถอนมันปล่อยให้มันถอนเอาไว้โดยโดยความโดยธรรมชาติของมันเหมนก้นนอนรอมจะไปปลุกการเข้าสมาธิก็เป็นการทักผ่อนแล้ว่อยมันพักให้เต็มที่พอมันพังอิ่มตัวแล้วมันก็จะถอนออกมาแล้วแล้วสภาวะ ไหนที่ควรจะพิจารณาแล้วเจ้ะพาพาจ่ะก็ต้องออกมาจากสมาธิก็พิจารณาได้เลยตอนนี้่ในสมาธิมันพิจารณาไม่ได้เพราะมันจิตมันนิ่งมันไม่ทํางานมันไม่คิดปรุงแต่งค่ะต้องรอให้มันออกจากสถานหน้าภาพนั้นก่อนพอมันเต้องคิดปรุงแต่งก็เอามาคิดทางปัญญาได้คิดอาการสามสิบสองก็ได้คิดอานิจจังก็ได้คิดอนัตตก็ได้คิดอยู่สามเรื่องเนี้ย เจ้าค่ะก็คือแล้วแล้วระหว่างวันถ้าเรามีความตั้งมั่นในจิตพอที่จะพิจารณาก็พิจารณาได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ลองดูหน่ก็ลองดูหน่อยพิจารณาในทั้งวันเนี่ยเพียงอย่างมันจะพิจารณาได้หรือเปล่านีถา่ถ้าพิจารณาได้ปัจจุบมันพิจารณาไปนานแล้วเนี่ยใช่คำว่าท่านี้ก็แสดงว่ายังไม่เคยพิจารณาเลยอ <c oughs> พิจารณาไม่ได้หรอเพราะมันไม่มีความสงบพอกิเลสมันดึงไม่หมด มันเด้งได้เราเช่เรื่องรูปเสียงกยลิ่นรสเรื่องหาความสุขเรื่องทำนู่นทำนี่อืมันไม่มาให้เรามาคิดทางปัญญาทางอนิจจังทุกขังอนัตตาทางสุภาพทางปฏิกูลไม่ให้คิดหรอกของพวกนี้ถ้าคิดได้มันมันก็บนรลุ ก, กันหมดแล้วหึงต้องทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วกำลังของกิเลสมันเนี่ยมันอ่อนลงนลยมันจะไม่มาเด้งให้เราไปคิดเรื่องอื่น ตอนนั้นใจเราก็สามารถมาคิดทางปัญญาได้แต่มันก็เป็นได้ทั้งๆหนึ่งของจากสมาธิใหม่ๆ ม, มันก็มี ม, มีกําลังของมือเบ่กขาติดมาสักระยะหนึ่งเนื้อสภาพก็หมดกิเลสก็ออกมาครองำ จ, จิตใจตันนั้นก็ไม่ได้คิดถึงมพระธรรมตายรักไม่ได้คิดถึงตางอสุภะก็ลองกลับเข้าสมาธิแล้ว าจาก็สอนให้พิจารณาปัญญาว่าตั้งแต่เริ่มฟังปฏิบัติธรรมาแล้วพิจารณากันกเปล่าประกาศสารที 2, ่สองอสุภะซากศกเสด็ประการอาหารปฏิกูลความไม่เที่ยงแท้แน่นอนสอนตั้งแต่เริ่มต้นฟังธรรมก็สอนเรื่องเหล่านี้นนมาแล้วไม่เคยเอาไปพิจารณาเพราะพิจารณารไม่ได้มันไม่มีกําลังที่จะพิจารณาถูกกิเลสดึงใจ กิเลสมันเทคโอเวอร์ความคิดของเราตลอดเวลาเราถึงต้องใช้สมาธิให้กิเลสปล่อยวางชั่วคราวตอนช่วงที่เราออกสมาธิใหม่ๆกิเลสมันยังไม่ได้ามาเทคโอเวอร์แต่เราสามารถจะเความคิดความคิ ด, คดทางปัญญาได้ความคิดเดี๋ยวไม่งานเดี๋ยวพอกิเลสมีกาําลังมันก็นึงไปจิดมเรื่องอื่นตอน่อก็ต้องกลับก็ต้องหยุดพิจารณาเราเข้าไปในสมาธิใหม่ ถ้าไม่มีสมาี่ไม่มีฐานเยี่ยมคิดถังนี้ได้คิดได้ก็แค่สองสามวินาทีแล้วก็พอแนละ้วนะคะตอนนี้ลูกก็ยังเป็นเบสิกเน้นสติระหว่างวันให้ให้มากอยู่จค่าค่ะให้จิตให้สงบไม่ได้ก่อนค่ะเพราะว่าลองดูแล้วคือถ้ามันไม่เจริญตลอดวันการที่จะมาสงบในตอนนั่งมันไม่ได้จริงๆนะคะ Yeah. Yeah. อืมยากยากยากมากค่ะ uh huh. ก็เลยพยายามเจริญสติทั้งเวลาทํางานหรือว่าหรือว่าเวลาว่างก็มานั่งบริกรรมหรือสวดมนต์เป็นเป็นเป็นเป็นตัวนําไปอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นมันเอาไม่อยู่เจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องนะคะเป็นการกนั่สมาธิก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันนะ เ, นเดี๋ย ว, วเราไม่ได้เาไม่ได้พูดเจริญสติหลังจากมันเป็นการเจริญสติพุทธา น, นุสติก็พุทโธ อารมณ์หายใจเขาออกก็อนาปนานสติมันเป็นเรื่องของการเจริญสติัไม่ว่าเราจะนั่งเราจเดินจะยืนจะทําอะไรเดี๋ยวพอเรามานั่งยันท่านั่งเราก็เรียกว่านั่งสมาธิกันมันนี้ก็นั่งจเจริญสติกันมากกว่าเพื่อให้ได้สมาธิคือความสงบเพราะอยู่ในท่าอื่นมันจะไม่สงบเท่ากับท่านั่งเดินจงกรมมันก็เป็นการเจริญสติ ทำอะไรมีสติก็เป็นการเจรังสติมันก็เป็นเรื่องของสติรวนรุนสตินี่นะเป็นตัวที่ทาให้จิตสงบอาจจะสงบได้ต้องนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรเจ้าขาขวาจ่ะเข้าใจมากขึ้นเจ้าขาขวาจ่าถึอทำอะไรก็ต้องใช้สติเวลานั่งสมาธิก็ต้องใช้สติ ถ้านั่งเฉยๆฝ่าย ใ, ใจคิดนู่นคิดนี่มันก็ไม่มีวันใจที่จะสงบได้ะต้องหยุดการคิดให้ได้ฝ่ายใจแล้วเนะข้าใจมากขึ้นจะขาดฝ่ายใจลองดูดูว่าจะพิจารณาได้ปัญญาได้มากน้อยแอค่ไหนลองไปทดลองดูก็าจากคือคือที่ลูกกับฟังฝ่ายใจมาตลอดเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีการเจริญสติ ในระหว่างวันมากขึ้นอย่างเนี้ยจะข่าพระอาจารย์คือความสงบมีความสาคัญจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่สามารถที่จะทำให้เราพิจารณาถึงจุดที่จิตมันยอมรับความจริงได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในความสงบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พอกินเนยมันจะต้านตัวที่ต้านก็คือตันทามความอยากพวกเรายางไม่แก่ยางไม่เจ็บยางไม่ตายใช่เจ้าค่ะอันอันนี้ ที่ที่ลูกป่วยมีอาการป่วยตอนช่วงที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หรือหรือรอการวินิจฉัยของแพทย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันก็จะดูว่าจิตเราเนี่ยมีความปรุงหรือว่าพวงกับคําที่แพทย์จะวินิจฉัยพอดีลูกไปสองกล้องเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งทั้งกระเพาะแล้วก็ลำไส้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีมีการรอฟังผลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ลูกก็พยายามอยู่ใน ขณะที่เป็นขณะปัจจุบันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่กังวลไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พอทำได้อยู่เจ้าค่ะอาจารย์ไม่ได้กังวลว่าจะออกมามีผลเป็นมะเร็งหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องถามไงถ้ามันมีผลเป็นมะเร็งยอมรับมันได้หรือเปล่าก็ตอนนั้นทําจิตให้ยอมรับได้ไหมอย่างที่กาบเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าจิตมันอยู่ในความสงบมันยอมรับได้แต่ถ้ามันอยู่ในไม่ได้อยู่ในความสงบมันยอมรับไม่ได้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ มันต้องให้มันสงบอยู่เรื่อยๆมันจะได้ยอมรับได้จะได้ไม่ทุกข์ค่ะมันมั น, มนลองลองดูแล้วเจ้าค่ะก็คือถ้ า, ถ, าถ้าเราเราเจริญสติดัมานภาวนาสงบจริ ง, รงๆแล้วพิจารณาถึงร่างอาการสามจสองหรือว่าถ้าว่าร่างกายเราเป็นท่าสี่แล้วคิดไปว่าถ้าโผล่ออกมาเป็นมะเร็งเรารับได้ไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็รับได้ถ้าถ้าจิตสงบแต่ถ้าตอนที่ช่วงที่สภาวะจิตไม่อยู่ในความสงบไม่ตั้งมั่นมัน มันลึกๆจริงๆฉีดมันก็ยังรับไม่ได้เจ้าค่ะอาจารย์ค่ะแสดงว่ายังยังยังละไม่ได้ยังยละไม่ได้เจ้าค่ะแต่ยังไม่เต็ ม, มเกมสงบเต็มที่ใช่เจ้าค่ะใช่แล้วค่ะก็เลยจ ะ, จะไม่รวมเป็นหนึ่งสัใจว่าเร้ค่ะก็ก็เลยให้ความสําคัญกับการเจริญสติมากขึ้นตามที่อาจารย์สอนมาตั้งแต่แรกเจ้าค่ะเพราะว่าถ้า ม, มันไม่ไม่มีสติไม่มีสมาธิมัน ปัญญามันไม่ถึงจุดที่ยอมรับความจริงเจ้าค่ะปัญญายังไม่เป็นภาวนามย์ปัญญาเป็นแค่จินตานเมย์ปัญญาเจ้าค่ะอาจารย์ก็ ฝ, ก<ม>ฝึกฝึกสติแล้วสมาธิต่อไปเจ้าค่ะอาจารย์เราจะเรีนปัญญาเมื่อเมื่อมันพิจารณาได้เจ้าค่ะพรอาจารย์ดีมากเนี่<า>มันก็จับประเด็นได้แล้วต้องทําอะไรก่อนนั้นจับจับได้แล้วเจ้าค่ะก็ตลอดตลอดที่พระอาจารย์พยายามเน้นย้ําว่ามันต้องมีความสงบก่อนลูกก็ ก็ฟังไว้แล้วก็พยายามลองทำดูเจ้าค่ะว่ามันก็ใช่จริงๆเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณพราจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะค่ะนมำตาการเจ้าค่ะค่ะว่าคงจะไม่เท่ากับร่างกายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับมันให้ได้ ก็นั่นคือเป้าหมายของลูกเจ้าค่ะที่ที่พระอาจารย์บอกเขาที่แล้วว่าจักรยาที่ผิดคือไม่ไม่ไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราแล้วเราต้องยอมเจ็บยอมตายได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ยังก็ยังอยู่ในใจที่ที่แต่เป็นเป้าหมายของการพิจารณาหรือปฏิบัติธรรมอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ยอมให้มันเจ็บเราไม่ได้เจ็บกับมันหรอกแต่เราเป็นลม ค, คิดว่าเราเป็นมันขึ้นมาค่ะยอมให้ร่างกายเจ็บเราให้ยอมให้ร่างกายตาย เราทำเพลงแต่ผู้มาใช้น่างกายเรเป็นเจ้านายของน่างกายเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับน่างกายค่ะก็ก็ให้ความสําคัญเพราะว่าตอนที่ป่วยหรืออะไรเงี้ยมันเห็นชัดเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าจิตจิตโอ้โหถ้าเราไม่ฝึกมามันเอาเราจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งตอนป่วยทั้งตอนตอนกินไม่ได้นะแม่หลานค่ะถ้าถ้าเราไม่ได้ฝึกเจ้าค่ะใช่จ้ เนี่ยแหละคุณค่าคนทํารมมาของพระเจ้าช่วยดับความทุกข์ใจได้ใช่นะค่ะใช่นะคะเพราะว่ามันแล้วการที่เราโชคดีอย่างลูกคิดว่าลูกเป็นคนโชคดีที่ลูกใช้บัตรทองเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเราไปโรงพยาบาลในส ภ, ภาพที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแล้วไปนั่งรเอเยอะๆไปเห็นคนเจ็บไข้เยอะๆแล้วต้องทอรมานกับการรอคิวหรือบางทีไปตั้งแต่เช้า ถูกเลื่อนคิวไปเป็นตอนบ่ายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ได้ฝึกฝึกจิตในการยอมรับเรื่องพวกนี้ด้วยเจ้าค่ะพระอาารค่ะค่ะลูกบ่ามีปัญญาบ่าเกิดเนี่ยค่ะก็ก็แต่ตอนนั่งรอพวกก็ลูกก็ใช้การภาวนาเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เลยอยู่ได้ที่แบบแล้วพ อ, อโดนเลื่อนคิวก็ไม่ไม่ได้ คิดอะไรแบบหงุดหงิดมากไม่แทบจะไม่หงุดหงิดเลยเจ้าค่ะว่าจะไม่เป็นปัญญาไงมีบป็นัญญาเพราเป็นตายรักไปใช่เจ้าค่ะคือถ้าเป็นคนอื่นก็คงงงอุตส่าห์ฉันอุตส่าห์มายื่นบัตรตั้งแต่ก่อนแปดโมงพอถึงเที่ยงบอกว่าให้ไปหาหมอตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าชะเพราะเป็นตายรักเราไปสั่งหมอไม่ได้ใช่เจ้าค่ะแล้วก็เห็นคนแบบลงมารักอ่ะเจ้าค่ะจะเป็นคนม่ เป็นชาวบ้านมาจากต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยมาน่อนรถเข็นนอนเข็นมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหี้ยหิวถุงที่ออกมาจากท้องมั่งอะไรอย่างเงี uh ้ยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ได้ก็ลูกก็เลยเดี๋ยวนี้พอไปโรงพยาบาลก็บางทีก็ชอบนะเจ้าค่ะพะอาจารย์ได้ได้ได้ปัญญาได้เห็นของจริงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดคะใช่เจ้าค่ะเกิดก็เกิดที่โรงพยาบาล เจ็ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเจ็บก็ต้องไปที่โรงพยาบาลตายก็ต้องอยู่ตายที่โรงพยาบาลกันส่วนใหญ่ใช่จ้ะค่ะจะค่ะจ้ะั้นหลังจากจเรียนสัตย์จะทำความจ ร, ริงก็ไปไปไ ป, ไปโรงพยาบาล่อยๆ ค่ะแต่แต่ลูกแนะนําว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สภาพจริงของเอกชนมันเป็นไโรงแรมใช่อันนั้นคือมีคนเข็นไปตั้งแต่ตอนต้นจนถึงจบเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปพาคุณแม่ไปโรงบาลของคุณแม่เขาจะไปโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ลูกเนี่ยลูกเป็นสีบัรททองก็จะไปโรงพยาบาลรัฐแบบไปรอคิวแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็จะคนละแบบเจ้าค่ะครับมอยากรับได้ปัญญาต้องเห็นทุก เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะโอเคก็ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีแล้วล่ะพักอะไรแฮปปี้ไว้ก็แล้วกันนะไม่ทุกข์อะไรก็พยายามพยายามมองว่าขอขอไม่เศร้าหมองอะไรเงี้ยเจ้าค่ะจะเตือนจิตตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตก็จะพยายามบอกว่าขอไม่เศร้าหมองเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ให้ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้อะไรเงี้ยจะยอมยุดเย็นยอมหยุดเย็นเจ้าค่ะทั้งสภาวะอารมณ์ ความตอภาพที่เจออะไรเงี้ยเจ้าค่ะปึกไปเรื่อยให้ให้แล้วก็คุมบางครั้งไม่ได้ค่ะใช่เจ้าค่ะตะเปธมาณาตาค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคกลาขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกลาวนามัสุเค่ะนมยที่อาจารย์พรมพิรายคนอนุกูลเมื่อกี้เห็นเดินเข้ามาในจอ กล่าวโน้ตสกการพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีค่ะรอาจารย์สบายดีนะคะฝนตกเยอะเตรียมทากันบ้างข้อสอบมั้ยยังแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแถวนี้มีแต่แก่แล้วก็เจ็บค่ะยังไม่ตายรอวันอยู่ค่ะอ่าอย่างนั้นเราเจอไฟบังคับตอนนี้ไม่เจอไฟบังคับก็ใกล้แล้วค่ะออา ก็ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะใช่ไม่มีใครช่วยเราได้เร<ช>ื่อง<ช>จิตใจของใครของมันร่าง<ช>กายยังช่วยกันได้พาไปหาหมอได้อะไรได้แต่จิตใจนี่ไม่มีใครจะช่วยเราได้<ช>นอกจากธรรมะพุทธเจ้านะที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของจิตใจฮ<ช>ะก็พยายามละร่างกายละร่ากายนะคะดูแลจิตให้มันปลอดโปรงสบายนะคะเพื่อให ก็ปล่อยมาง<ป>ั่งกายให้ได้จะได้ไปที่ชอบ่ะค่ะอือทางธรรมค่ะวันนี้ไม่มีคําถามแค่นั่งฟังมาเรื่อยๆ <Okay. S 2> ก็ได้ได้ฝึกไปด้วยนะคะวันนี้ได้คําของขอ ง, ของหลังๆเรื่องเนื่อ ง, งแก่เจ็บตายเรื่องตอน้นมาเนื่องเจ็บตามาต่อเนื่องค่ะก็แก่ก็ความจริงค่ะเจ็บก็เจ็บจริงค่ะ ก็เลยทำให้เข้าใจอะไรได้สองแท้นะคะก็เต็ียมรับสถานการณ์โอเตรียมจากกันนะเตรียมภาพภาพจากกันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้อยู่าเไม่มีใครอยู่ค่ะขอไปตามวัยค่ะโอเคค่ะทุกอย่างอ่ะแล้วที่คุณศาสตราชัยน้าต่อ ฟักคำคำว่าจาาไม่มีอยู่ัวเดียวได้นะแานเพินจากออาไปก็ไม่เช่าใจเสียใจไม่อะค่ะเฉยๆดีค่เฉยๆได้ก็สบายค่ะค่ะโอเคทุกคุณยินดีว่างานอยู่กับแฟนวันหนึ่งต้องแยกกันจะทำไงไห้ไหมไหวค่ะอไหวอ่า ไหวค่ะถ้าอาจารย์เตรียมเตรียมค่ะเตรียมอยู่ค่ะต้องไหวนะมันข้อสอบของเราสอบตรงก็สอบายานอยู่ตรงเนี้ยก็เหลือเหลือด่านนี้ก็เหลืออยู่สองด่านนะคะถ้าอาจารย์แต่ก็หนูไม่ทราบว่าเราจะไปก่อนด่านร่างกายเราอีกด่านหนึ่ะก็ยังไม่ทราบอยู่ค่ะว่าเราจะไปก่อนเขาหรือเปล่าแต่ก็คือมันก็ยังมีความกังวลอยู่นิดนิดนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าเพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ย มันเคยคิดแค่ตอนนั้นที่ช่วงโควิดก็ยังคิดอยู่ว่าเออมันจะเกิดถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวเราเราจะทํายังไงตัวเขา่เขาตัวของเขารอดแต่ตัวเราเวลาเราอยู่ที่เมืองนอกเนี่ย อ, อทุกอย่างนะคะพวกเอกสารพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ ม, ม, ม, มีมันจะไม่มีตัวช่วยอ่ะค่ะถ้าอาจารย์ก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วก็หวนกลับมาคิดว่า อ, อให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จบการท่าอาจารย์อืม ก็ก็คิดอยู่ไม่ใช่ไม่คิดนะคะถ้าอาจารย์แบบบางครั้งมันก็จะมีความฟุ้งเหมือนกันใช่ไหมคะท่าอาจารย์เก<ม>ิดมาเป็นหนูก็คิดหนูคิดของหนูเองอะคะ่ะถ้าอาจารย์พอเวลาคิดปุ้งเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่านี่แหละมนุษย์เกิดมาทุกไหมทุกเ อ, อ่อเข็ดไหมไม่ไม <laughs> <laughs> เข็ดยังไม่เข็ดเข็ดค่ะท่านอาจารย์ ช, ชาติเนี่ยเข็นและะ้วค่ะเข็ดเข็ดจริงๆริค่ะท่านอาจารย์พอพอแม่จากไปนี่ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่ ม, มพอ ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ที่มีท่านอาจารย์เป็นล่มโพลลอมไซด์ให้อะคะ่ะก็ได้ความกระจ่างเยอะแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็การฟังธรรมอะคะ่ะท่านอาจารย์ช่วงแรกเนี่ยเราฟังเนี่ยมันจะหยาบใช่ไหมคะเหมือนเหมือนจิตเรามันมันมันมันมันมันหยาบปะคะท่านอาจารย์แต่ฟังไปเนี่ยก็เข้าใจที่ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านที่พูดอะคะ่ะท่านที่พูดกันนะคะที่ว่าฟังครั้งแรกเนี่ย มันจะไม่เข้าใจเหมือนเราหยาบเหมือนใจเราหยาบค่ะท่านอาจารย์พอเราฟังไปอะคําพูดมันเป็นคําเดียวกันธรรมะเนี่ยเป็นฟังคําเดียวกันแต่พอเราเวลาฟังไปฟังไปเนี่ยค่ะมันฟังซ้ําๆแต่มันกลับมันกลับละเอียดอะค่ะท่านอาจารย์อไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะมันมันมันทําให้เราละเอียดขึ้นแล้วเราก็ทั้งท่านี่มันเป็นธรรมะข้อเดียวกันเราฟังมาตั้งแต่ต้นบางครั้งเราไม่เข้าใจแต่มันกลับมาเข้าใจทั้งที่มันเป็นคำคำเดียวกัน แล้วมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกทำของพระพุทธเจ้าท่านประนีดมากเลยคะ่ะอาจารย์ค่ะใช่สวยงามนล่นงมาตั้งแต่เบื้องต้นเรื่องการลางบ้านตายค่ะมันปรีนีนะคะนอาจารย์ก็เลยแบบก็ยิ่งยิ่งยิ่งฟังยิ่งเรียนยิ่งได้ได้ความรู้มากฟังเป็นวับางครั้งบางครั้งมันคือคําประโยมกับคุณประโยคเดียวกันแต่ แต่เราไม่เข้าใจแต่บางทีมันมีบางขนานดะที่มันผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาแล้วก็อ๋อพอผุดขึ้นมาแล้วก็อ๋อทั้งๆที่เคยฟังมาแล้วแต่ไม่เข้าใจท่านอาจารย์ <c oughs> ก็เลยเนี่ยคะ่ะท่านอาจารย์ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะประณีตไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าโชคดีมากเลยคะ่ะท่านอาจารย์ที่มา <c oughs> ที่เจอท่านอาจารย์แล้วก็มาเจอคําสอนที่ท่านอาจารย์กล่าวบอกไวค้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็คนข้างๆก็ตามมา ก็คือคนข้างๆก็คือคือเดวิดก็เขาก็เริ่มทําของเขาเองซึ่งหนูก็ไม่ได้ไปสนใจคือให้คือเราต่ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนะคะ่ะว่าเรามีตัวอย่างให้เขาดูเขาจะทําหรือไม่ทําเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะจัดจาการตัวเขาเองม<อ>ันก็จริงนะคะทุกวันนี้เขาก็นั่งสมาธิค่ะตามอาจารย์แต่หนู<ว>ก็ไม่ไม่นอนอสงบนิ่งเขาก็เห็นคุณค่าของความนิ่งสงบเขาก็อยากจะสงบนิ่งเหมือนเราะเขาก็ เนี่ยคะ่ะก็ก็ก็อยู่กับปัจจุบันเวลามันฟุ้งอะไรขึ้นมาก็จะแบบดักตัวเองทันนะคะว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันก็ให้ตัดพบตัดชาติตัดพบตัดชาติท่านอาจารย์ก็<น>ท่องอยู่มาตัดพบ<น>ตัดชาติตัดพบตัดชาตินะคะก็พยายามคะ่ะท่านอาจารย์พยายามก็สงสารมันสงสารคนอยู่ไกลเฉยเฉยอีกด่านหนึ่งที่แบบสงสารเขาเฉยเฉยนะค่ะท่านอาจารย์ พยายามพยายามค่ะแต่ก็เหมือนกับท่าอาจารย์ก็เหมือนแก้วคว่ำไว้ถ้าเกิดก็ไม่ทราบว่าวันใดก็ได้ตวังง่ะคะเพราะหนูมีความรู้สึกวชาตินี้ก็มีบุญก็เลยอยากให้เขามีบุญไปถึงชาติหน้าก็เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นความอยากของเราเหมือนเหมือนเหมือนกับยู่ดีก็เหมือนกับคุณแม่ของน้องตะวันนะคะท่านอาจารย์ก็อักษาอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็โอเคก็เนี่ยค่ะก็ ดีขึ้นเยอะค่ะท่านอาจารย์ก็ขอประคุณท่านอาจารย์อย่างสูงคะ่ะอาจารย์ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็จะปีนพยายามปีนไปเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่ได้รีดคะ่ะหนูไม่ได้รีวไม่ได้รีบ ว, วก็ก็พยายามไปเรืเอ่อยๆค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าคือก็ตามหน้าที่ เ, เพราะก็ยังอยู่ทั้งโลกอยู่ค่ะท่านอาจารย์ก็ตามหน้าที่จะพยายามทาให้ดีที่สุด <ๆ S 2> ค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ดีใจค่ะท่านอาจารย์ที่เรามาดูตัวเองแล้วเราย้อนหลัง ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำมาจนถึงวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจกันนะอาจารย์ค่ะดีมาสาธุสาธุค่ะท่านอาจารย์อ่ามองซอมเต้ไปด้วยนะค่ะท่านอาจารย์เขาพูดอยู่คะ่ะเมื่อเช้าหนูลืมละเอียนกลาบท่านอาจารย์คะ่ะก่อนอไปเขาบอบอกท่องต้วท่านอาจารย์ด้วยนะวันนี้มันพุทธนะแต่ก็ดีอย่างคะ่ะท่านอาจารย์เขาไม่ลืมถามวันพุธทุกวันพดทธก็จะแบบก็จำได้แล้วเขาก็จะบอกคะ่ะ ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะอ่ะาอยธุคนที่จะมาเดินทางอยู่เหรอกล่าวนวัสการคะพระอาจารย์ใช่ค่ะมาทานธุระรนในเมืองค่ะกำลังจะกลับไปห้วยใหญ่ค่ะพรอาจารย์มีอะไรไนหะวันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้เข้าไปเกพระอาจารย์ที่น่ากติใจด้วยค่ ะ, ะวันนี้มาฟังธรรมนะใช่ค่ะปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุ ค่ ะ, ะคุณซันนี่เป็นข้อำำกลานามาสการค่ะพระอาารย์วันนี้หนูจะมารายงานผลการปฏิบัติธรรมที่ไปขึ้นเขาชีโอนมาค่ะแล้วก็ขอถามข้อสงสัยจากการปฏิบัติค่ะน่าเชิญค่ะอะ ตอนไปวันสองวันแรกะค่ะหนูไปสองคืนแต่ว่าวันสองวันแรกก็ยังมีความฟุ้งอยู่มากค่ะแล้วก็มีนิวรทั้งความฟุ้งทั้งความวง่วงแต่ว่าเอา่อพอเหมือนแบบว่าพอเห็นกวางเดินลิงเดินก็จะชอบผันไปดูเขาอะค่ะก็เลยทําให้เหมือนแบบสติไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็วันวันวันที่สามที่จะกลับก็ตอนเช้า ตอนเช้าก็ ก, ก็ก็ได้นั่งได้นั่งสมาธิค่ะก็ก็จริงๆก็ยังมีความความม่วงอยู่ด้วยแต่ก็พยายามพยายามนั่งดูแล้วก็เออมันมีความเจ็บทุกขเวทนาค่ะที่ขาเออความทุกขเวทนาเนี่ยหนูไม่ไม่เคยแทบจะน้อยครั้งมากค่ะที่จะผ่านได้ครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะ คิดว่าผ่านไม่ได้น่าจะผ่านไม่ได้เหมือนเดิมก็พยายามคิดหาวิธีทั้งพุทธัวเร็วๆแบบที่พระอาจารย์เคยบอกหรือว่าเพ่งลงไปที่กระดูกที่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็มันก็ยังเหมือนมันเนี่ยเรายังเหมือนยังทนไม่ได้อะค่ะหนูก็เลยนึกย้อนว่ามันมีครั้งหนึ่งที่หนูหนูเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าหนูขึ้นเครื่องบินแล้วก็เหมือนเครื่องบินผับผับ ผ, ผ่านพายุเหมือนมันจะตกอะไรเงี้ยค่ะแล้ว มีความกลัวตายขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็นึกนึกถึงพระอาจารย์ได้นะคะแต่ก็แล้วก็นึกถึง ค, คําสอนของพระอาจารย์นะคะว่าเ อ, อกายไม่กายไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบถ้าจะตายก็ยอมยอมที่จะตายความกลัวนั้นมันมันหายไปค่ะหนูก็เลยแต่หนูก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออตอนนั้นอ่ะเราเรายอมเลยยอมเราแบบยอมปล่อยยอมวางที่จะตายก tamam. ็ตายไม่เป็นไรเนี้ยค่ะหนูก็เลยลองมาใช้กับ ความปวดก็หนูก็เคยเอ่ยคิดว่าปวดก็ปวดไปยอมยอมเรายอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมที่จะปวดปรากฏ ว, ว่าความทุกความความทุกความที่ใจมันดิ้นโลนนะคะ่ะมันมันสงบไปค่ะมันหายไปแต่มันยังเจ็บอยู่นะคะพระอาจารย์คือยังเจ็บยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าใจที่มันแบบกระสับกระสายดิ้นโลนมัน มันสงบเงียบไปแล้วก็เป็นความเย็นใจผุดขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ยังได้แค่ชั่วขณะหนึ่งค่ะพระอาจารย์ยังยังแล้วก็มันก็หลุดไปอ่ะค่ะได้ไม่เป็นไรยได้นี่ก็ถือว่าเราได้เห็ น, เ ห, นเห็นทางเห็นเห็นวิธีการปฏิบัติกับเวทนาแล้วว่าเราต้องยอมมันเราอย่าไปขับไล่าสาส่งมันอย่าไปอยากให้มันหายยอม ใ, ให้ ม, มันอยู่กับเราไป หนูแบบแปลกหนูแบบแปลกใจใจมากค่ะแค่เหมือนแบบพิกพิกความคิดนิดเดียวอะค่ะว่าอาจารย์ยอมหยุดเย็นเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คิดที่พระอาจารย์สอนมาตลอดเลยว่ายอมยอมหยุดเย็นก็ยอมหยุดแล้วก็เย็นจริงๆค่ะถึงแม้จะได้แป๊บเดียวชั่วขณะเดียวอะ ค, ค่ะก็ดีพอรู้แนวทางแล้วต่อไปก็สามารถที่จะยึดแนวทางนี้ปฏิบัติต่อไปได้ค่ะแต่หนูอยากถามว่า ก่อนหน้านี้ที่หนูเคยปฏิบัติอะคะ่ะหนูหนูเคยเพ่งไปที่กระดูกแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับเอ่อเราเราเห็นความเจ็บแต่อันนั้นอะคือเราในเราไม่ไม่รู้เราเห็นว่ามันยังเจ็บอยู่แต่เราไม่รู้สึกเจ็บอะคะ่ะกับอันเนี้ยค่ะเราเราทั้งเห็นเราทั้งเจ็บอยู่แต่ว่าใจมันก็เหมือนแบบใจมันไม่เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้มันแตกต่างกันยังไงอะคะ่ะพระอาจารย์ ก็เหมือนการเราดูเฉยๆเราสักงจะว่ารู้ไงเราไม่ไม่ไม่ไปคิดปรุงแต่งว่าอยากจะให้มันหายไม่หายคือใจเราเบกขาสู้กับมันไปวามเฉยสักงจะว่ารู้ไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็เอ่อจากนั้นหลังจากกลับกลับมาบ้านนะคะก็แต่ก็รู้สึกว่าเรายังสู้เวทนาไม่ได้ไม่รู้จะมี ไม่มีอะไรรายงานความขึ้นหน้าพระอาจารย์เลยก็เลยไปลองนั่งสมาธิต่อที่บ้านนะคะก็นั่งก็ก็เหมือนเดิมพยายามสู้กับเวทนาแล้วก็ครั้งนี้พอนั่งที่บ้านนะคะมันเออมันเริ่มรู้สึกว่าสมาธิมันลึกลงไปมันค่อยค่อยค่อยค่อยลึกลงไปเป็นชั้นชั้นหนูดูเป็นลมหายใจนะคะมันค่อยค่อยลึกลงไปเป็นชั้นชั้นแล้วก็ มันถึงชั้นชั้นหนึ่งที่มันเหมือนโดนเหมือนเหมือนโดนดูดเข้าไปในหลุมดําแต่ว่าพอเกือบจะเกือบจะถึงหลุมดํานั้นแล้วมันก็เหมือนถอนออกมาก่อนนะคะอันนั้นมันก็ยังก็ต้อ ง, ต, องต้องพยายามต้องพยายามให้มันนิ่งกว่านี้ใช่ไหมค ะ, ะอาจารย์ก็พยายามดูลมไปเรื่อยเวลามันเกิดอาการอะไรก็อย่าไปมีปฏิกิริยากับมันปล่อยมัน เราอาจจะไปตกใจหรือว่าเรอาจจะเผลอสติเลยทําให้มันแทนที่มันจะเข้าไปมปนอะไรเข้าไปไม่ได้่แต่หนูคิดว่าเป็นเพราะพอสติหนูยังอ่อนอยู่มากค่ะ อ, อหนูมีปัญหาเรื่องสติมากอืมพยายามดูลมไปเรื่อยๆก็ดูลมก็ดูไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจใช่ค่ะอาจารหนูเคย คือหนูเคยเข้าไปได้แล้วครั้งหนึ่งค่ะพระอาจารย์เป็นแบบเหมือนอยู่ใน อ, อวกาศความว่างเปล่าไม่ไม่เลยแต่ตอนตอนมันเป็นครั้งแรกหนูก็เลยตกใจหนูก็เลยพยายามถอนตัวออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้าได้อีกเลย mm hmm. แต่ว่าขนาดแค่เข้าไปได้ตอนนั้นแป๊บเดียวหนูยังรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะหลังจากนั้นไปสัปดาห์หนึ่งหนูรู้สึกเหมือนแบบเหมือนตัวเองแบบแช่อยู่ในตู้เย็นเหมือนที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะอ mm hmm. แต่ว่าก็ตอนนั้นได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวค่ะ แต่มันก็ประทับใจมันทําให้เราไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้วไม่เราอยากจะกรรมเาปฏิบัติต่อใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากได้สภาวะนั้น <c oughs> จะรู้สึกว่าอยากได้มากเกินไปจนแบบมันไม่ถึง <c oughs> สักทีต้องต้องอยา่าไปอยากที่ผลต้องอยากที่เห <c oughs> ตุพยายามเจริญสติให้มากขึ้นถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวผลคือความสงบมันก็จะตามมาเองค่ะพระอาจารย์ แล้วก็ทีนี้หนูก็ก็พอถอดออกมาแล้วหนูก็เลยลองนั่งอีกรอบหนึง่งทีนี้พอนั่งเริ่มนั่งปุบค่ะมันก็เห็นเป็นภาพเป็นภาพตัวเอ่อตัวเองเป็นซากศพอะค่ะเป็นอสุภะค่ะในรูปแบบต่างๆแบบหลายรูปแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากมายค่ะทั้งศพขึ้นอือศพ ตจมน้ําศพแขนขาดข า, ด ข, าดขาดหลายอย่างค่ะพระอาจารย์แล้วแต่ว่าเราเหมือนเป็นเหมือนเราดูภาพพยนตร์แต่เรารู้ว่านั่นคือเรานะคะแต่เราก็รู้สึกว่าร่างไม่เป็นไรร่างกายนี้มันไม่ใช่เราแล้วพอรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็มันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนหนูอ่ะเออรู้สึกว่าการยึดยึดติดในร่างกายมันจางลง ไปส่วนหนึ่งมันมันคลายลงไปส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็รู้สึกสงบเย็นอยู่อยู่สักพักหนึ่งเลยอะค่ะพระอาจารย์ถูกต้องเราปล่อยวางร่างกายแนใ่ใจก็เย็นใจก็จะสงบจะสบายการที่เรารู้สึกว่ามันมันมันยึดถือไม่ยึดติดกับร่างกายแล้วหรือว่าจางลงอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นมันเป็นเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นความจริงหรือว่าเป็นก็หลอกเราใจสบายก็ไม่สบายนะถ้ายึดติดแล้วใจมันสบายหรือไม่สบายครับเวลาไม่ยึดติดแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันไม่นต่างกันค่ะพระอาจารย์เรายติดแล้วใจเรายังเครียดอยู่ใจเรายังทุกข์อยู่พอเราพอเราไม่ยึดติดปั๊บใจเราก็เย็นสบายขึ้นมาใช่ค่ะพระอาจารย์หนูไม่เคย หนูหนูเคยเนั่งสมาธิแล้วมีมีมีสุขขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยความความมันเป็นความสงบเย็นที่มันไม่เหมือนกับความสุขที่จากสมาธิอะค่ะมันเหมือนมันมันสงบกว่าเย็นกว่าปัญญามันเกิดจากปัญญาที่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเร า, าค่ะอาจารย์คะแล้วความรู้สึกที่มันจางลงคายลงอย่างนี้ค่ะมันจะกลับมายึดติด ได้อีกไหมคะไม่ยึดเหรอว่ามันเจอความทุกเกี่ยวกับร่างกายมันก็จะปล่อยดีค่ะพระอาจารย์ถ้ามันเคยปล่อยแล้วมันก็จะปล่อยก็ลองนั่งให้มันเจ็บดูนะค่ะหนูพยายามนั่งให้เจ็บบ่อยๆคะ่ะแต่เหมือนเวลาไปฝึกถ้านั่งทั้งวันนะคะความเจ็บมันก็จะมาแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างตอนแรกครึ่งชั่วโมงเริ่มเจ็บ พอครั้งที่สามครั้งที่สี่จะเป็นสิบห้านาทีเริ่มเจ็บสิบนาทีเริ่มเจ็บอันนี้คือมันเป็นกิเลสหลอกเราหรือเปล่าคะไม่น่าหรอกความเจ็บบางทีมันก็เกิดจากจิตไปปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมาก็ได้ค่ะพอจิตสงบความความเจ็บนั่นก็จะหายไปไแสดงว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตคือร่างกายมันจะเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่จิตไปปรุงแต่งให้มันเจ็บมากขึ้น เ่ า, <ห>าทำใจาสงบครับอาการเจ็บที่มันมากขึ้นก็หายไปค่ะหนูรู้ชัดตอนที่ที่เห็นว่าใจมันมันสงบลงแล้วก็เห็นแค่ความเจ็บของร่างกายค่ะถึงแม้จะช่วแป๊บเดียวก็ยังอพอเห็นได้ค่ะส่วนเรื่องความตายนี่ก็ จ, จะต้องไปลองหาสถานที่น่ากลัวดูแลดูว่าเราจะปล่อยวางมันได้มันคราวที่แล้วหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ เช่นอยู่บนเขาชิโว่กางคืนก็เราออกมานั่งข้างนอกมันเดิจงกรมดูหรือที่มันเกิดอาการกลัวตายหรือเปล่า้มันเกิดอาการกลัวตายก็ลองใช้ปัญญาเนี่ยว่ามันนั่งกายไม่ใช่ตัวเรามันจะต้องตายมันจะต้องขึ้นเหนือสักวันหนึ่งตอนกลางดึกประมาณตีสามหนูออกมานั่งแต่ว่าออกมานั่งตรงระเบียงอะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงไปข้างล่างเพราะว่ากลัวไปเหยียบพวก สัตว์อะไรพวกเนี้ยค่ะก็อาไปใช้ไม่ได้ใช้ใช้ไฟลดูทางไปเงินไปค่ะเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีโอกาสหนูจะไปลองอค่ะแต่ว่านั่งอตอนกลางคืนก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าเรากลัวตายหรืไม่กลัวตายก็ต้อ ง, ต, องต้องออกไปดูไปที่ที่เรารู้สึกว่าจะมีความอันตรายต่อชีวิตของเราค่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูก็จะฝึกปฏิบัติ ต, ต่อไปค่ะแล้วก็หนูต้องขอขอพระจุ พระคุณธรรมะของพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของพระอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่คอยชี้แนะสั่งสอนมาตลอดค่ ะ, อะขอบคุณมากยินดีทำให้มีกําลังใจที่จะสอนต่อไปขอบคุณมค่ะเบสต์อาตุขุบจูบโกเบกนัสการคระอาารเจ้าค่ะอยู่คนเดียวมากคนเดียวแล้ว อยู่คนเดียวมาคนเดียวค่ะตั้งแต่วัน <driven S 1> ที่สิหกแล้วค่ะะอาจารย์แล้วอยู่ที่นั่งมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่มีค่ะหนูอยู่ที่นี่อยู่พัทยา น, นี้อยู่คนเดียวเลยค่ะแล้วอยู่ที่โกเบก็อยู่คนเดียวเลยอะอยู่ที่โกเบหนูอยู่ ม, มีครอบครัวค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ได้มาด้วย<ำ> ไ, ไม่ได้มาด้วยค่ะอาจารย์มีลูกกี่คนน่ะมีลูกสองคนค่ะอาจารย์ตอนนี้ตโอยังโตแล้วค่ะ ก็ค <els> yeah, ือคนโตที uh ่ที่เป็นที่เส้นเลือดแตกในสมองไงคะพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ยังโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยมัคะอยู่ปีหนึ่งนะคะก็ฟื้นฟูได้แต่ว่าก็คือขาก็ยังเดินไม่ได้แขนก็ยังขยับไม่ได้แต่ก็เริ่มแบบจำแนกค่ะตอนนี้ก็กายภาพแล้วแต่ว่าก็ เขาเขาก็เริ่มจำคนได้จจตามคนในครอบครัวได้เจ้าค่ะค่ะโอเคอาจารย์คะคือหนูว่าค่ะอยากรู้ว่าเขาชีออนอยู่ตรงไหนหนูก็ขับรถไปวนไปจนมันประจบมาออกมาวัดยานคือหนูไม่รู้ว่าเขาชีออนอยู่ตรงไหนอะค่ะอาจารย์ก็อยู่ที่หลังวันเนี่ยมันก็เรียกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีออนลองเสิร์ข้าไป เขาเขาไปมีรั้วใช่ไหมคะแล้<ช>วก็ขเขาจะมีมีด่านมีประตูแล้วมียามเฝ้าแล้วเขาจะติดไป้ายไว้ที่ที่ที่ที่หน้าประตูว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของชีโอนอ๋อมีหน้าละหนูขับผ่านวนไปวนมาหาเอ๊ะ <c oughs> ขาชีโอนอยู่ตรงไหนเพราะตอนนั้นหนูยังมีเวลาตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าสมมติวีเวลาหนูก็อยากจะลองไปแบบปฏิบัติธรรมที่เขาชีโอนนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วคะ่ะเดียอีกไม่กี่วันก็จะจกลับแล้วคะ่ะ ไม่เป็นไรก็จัด ม, มาเค้าหนะ้าค่ะคื อ, อหนูมีคำถามค่ะอาจารย์ อ, อ่วิญญาณในขันห้ากับวิญญาณในปฏิจจสมุทบาทนี่มันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะตัวเดียวกันคือควิญญาณในขันห้าก็คือตัวที่เชื่อมต่อร่างกายกับจิตไงค่เะเหมือนกับ สัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์สองเครื่องเนี้ยเราจะติดต่อโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเราต้องมีส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปหาอีกเครื่อง <Okay. S 1> ใช่มหมใช่ค่ะอันนั้นนะคือตัววิ ญ, ญญาณก็คือตัวเชื่อมต่อเราเรียกวิญญาณในขันห้าเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนวิญญาณที่เป็นตัวจิตนี่เราเราเราเรียกวันตอนที่ร่างกายตอนที่มันไม่มีร่างกายเราเลยเปลี่ยนชื่ออจากตัวตัวจิต มาเป็นตัวดวงวิญญาณแทนไอ้ตอนนี้เป็นตัวจิตที่มีมีมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนั้นด้วยแล้วค่ะยิงาเวลาเรียกดวงวิญญาณนี้มันแสดงว่ามันมีทั้งวิญญาณในขันห้าก็ยังอยู่ในอยู่ในในดวงวิญญาณนี้ด้วยเมื่อก่อนเราเรียกวมันจิตดวงจิตผู้รู้ผู้คิดพอมันไม่มีร่างกายแล้วมันมีแต่ดวงวิญญาณแล้ค่ะไอ้ตัวนี้ก็จะส่ง ส่งวิญญาณในขนห้าไปเกาะไปเกาะร่างกายอันใหม่เวลามีปฏิสนธิของพ่อพ่อผสมพันธุ์กันแล้วก็เกิดมีการทานปฏิสนธิพอมีร่างกายจิตก็จะส่งประแสะของวิญญาณนี้ไปเกาะไปเชื่อมต่อจะได้ติดต่อกับร่างกายอันใหม่ได้อันเดียวกันวิญญาณปัจจัยนามาลูปังก็คือตอัว น, นี้ใช่ไหมคะ พอวิญญาณไปเชื่อมต่อมันก็มีนามของรูปเงยขึ้นมานามขันของรูปประขันแยกเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนรูปรูปประขานกับนามปรขันมันแยกกันอยู่มันไม่ได้เป็นตัวมันนยังไม่ได้มาร่วมกันรูปประขานนี้ก็บางอากจากพ่อแม่ผสมพันอยู่แล้วพอโยนวิญญาณส่งก็ส่งส่งวิญญาณมาเกาะมันก็เลยมีนามมาเกาะด้วยก็เลยเป็นนามรูปขึ้นมารูปกับนามขึ้นมาใช่ไหม เนีย่ยตอนที่เราไม่รูปว่าน้ำใช่ไหมรูปก็คือร่างกายที่ ท, ทําแต่ธาตุสี่นี่นะหลวงพ่อยแล้วก็มีนามมีความรู้สึกนึกคิดก็ <Okay. S 1> เป็นขันธ์ห้าขึ้นมารูปว่าน้ำก็คือขันธ์ห้ารูปประคันนามะขันรูปประคันก็คือร่างกายนามะขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่าง สองตัวนี้ปฏิจจสมุทบาทกับขันห้านี่มันเหมือนย้อนไปย้อนมาเลยนะเจ้าค่ะมันก็ย้อนย้อนก็ย้อนแต่ว่ามันไม่ย้อนก็ไม่ย้อนเหมือนเพียงแต่ว่ามันมันมันทําไอตัววิญญาณมันทําหน้าที่ตอนต้นมันเอามามันมาเชื่อมไปก่อนเชื่อมเชื่อมผมร่างกายแล้วต่อหลังจากนั้นมันก็มันก็ใจก็จะใช้ความคิดสั่งไปที่ร่างกาย้ว่าให้ทําอะไรต่อไป พอเกิดเมตนาเกิดความรู้สึกสุขก็อยากจะได้ความสุคนี้ให้อยู่เป็นนานก็สั่งให้มันเกิดความอยากตัณหาขึ้นมาอุบกันปุบประทานขึ้นมาติดกับสิ่งที่ทําให้เรา ม, มีความสุขพอติดตัณหาขึ้นมามันก็จะมีภาวะขึ้นมาเวลาที่ร่างกายอันนนี้อัเก่ามันตายไปมันก็จะไปเกิดใหม่แล้วไปสร้างภพใหม่ขึ้นมาสั้งชาติใหม่ขึ้นมา พอสร้างชาติใหม่ขึ้นมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมปฏิจจสมุาทเข้าค่ะาาาอาจารย์นหนูเข้าใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะตอนแรกหนูก็แบบงงง ง, งแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อาจารย์มันตอนที่ ว, วิชาที่มีอยู่ในใจ<อ>ิตเนี่ยอวิชามันมันคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีร่างกายมันก็เลยสั่งให้สังขารสั่งวิญญาณให้ไป หาร่างกายมาเชื่อมต่อไหน่อยสิเป็นงานก็ไปหาในหาร่างกายพอเจอก็เชื่อมต่อนั้นก็เกิดนามาขันน้ำนามาขันน้ำนาำกับรูปขึ้นมาพอเกิดนาำกับรูปก็มีสัมผัสขัดจะตากับหูตากับรูปหูกับเสียงก็เหมือนสัมผัสมันเกิดสัมผัสก็เกิดเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นมา่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานไปยึดติดกับ สิ่งที่เราเราเราเราอยากได้หใช่ไหมแต่พอเราสูญเสียสิ่งนั้นไปหรือร่างกายเราตายไปแล้วก็ไปหาใหม่ไปก่อพบใหม่เพื่อจะไดไไ้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบใหม่ต่อไปมันก็จะเป็นว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการพยายาตัดตันหาได้ตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องตัดอจามาตัดหาเพราะว่าตันหาีเวิว่าตันห า, นหาก็มีอยู่ในปฏิจจส ม, มุปบาทใช่ไหม มันตามมันจากเวทนาอ่ะเห็นเวลาเราเห็นอะไรแล้วเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็อย่าไปอยากให้มองว่าเห็นตายรักว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็มันก็หมดไปเก็บไว้ตลอดไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาเพรเห็นเพรเห็นเห็นตายรักตรงนั้นมันก็จะหยุดตัญหาความอย่างเีครอไปถ้าไปอยากได้มันจะทุกข์ เวลาได้มาแล้วมันจะทุกข์ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าได้รูปมาแล้วทุกข์ไม่ช้าก็เร็วออมันไม่เที่ยงใช่ไหม <Yeah. S 1> ต้องเห็นความไม่แน่นอนของร่างกายเวลาจะได้ไม่อยากได้เหมือนเดี๋ยวมันต้องแตะต้องเก็บต้องตายผู้เจ้าสอนให้เราเห็นตัวเนี้ยเห็นอนี่จังความไม่แน่นอนของร่างกายครับ มันไม่ร่างกายมันไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดเวลามันจะต้องมีเวล า, าที่จะต้องให้ความทุกข์กับเราตอนที่มันแก่ตอนนี้มันเจ็บตอนนี้มันตายอยู่าันี้มันจะได้ไม่อยากจะได้ร่างกายต่อไปก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็ไม่มีไม่มีภาวะตามมาไม่มีอุปทานตามมาไม่ยึดไม่ติดไม่มีไม่มีภาวะก็ไม่มีไม่มีเกิดแก่เจ็บตายตามมา น okay. พระอรหันต์นี่คือเอาท่านท่านจะละปุ๊ง<อ>นีงหน้หมดเลยจ้ะความอยากตัองแต่การวาตัญหาเพราะวาตัญหาไม่เพราะวาตัญหาได้เพราะท่านเหลนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไตยลักษณ์งที่ัญหาอยากได้มันเป็นตายลักเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นสุขปลอมสุขที่หลอกเราให้ไปทุกข์ต่อไปเวลาได้มาเราถึงจะรู้ว่ามันทุกข์ แต่เราไม่ได้มาเห็นว่ามันเป็นความสุขเห็นแฟนเขาเขียวว่าเขาอยาให้ความสุขกับเราอยู่กับเราจะสุขกันไปตลอดที่ไหนได้สุขกันเมื่อข้าวไม่ทันดําก็ตีกันแล้วทะเลาะ ก, กันละใช่ไหมบ <c oughs> <c oughs> างทีทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องอยาดกันไปในที่สุเพราะมันทุกข์ใช่ไหมมันถึงยาถึงอยาดกันอยูแต่ไม่เห็นตอ น, ตอ น, ต, อนตอนก่อนตอนก่อนจะแต่งงานไม่เห็นเลย เห็นต่สุอย่างเดียวเห็นแตาสุขอย่างเดียวนั่นะอวิชชามองเห็นมองเห็นโลกในแง่ดีมองเห็นโลกแต่ในแง่ดีไม่มองโลกตามความเป็นจริงมันเป็นขอโลกมัมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์คู่กันไปต้องเห็นด้วยใจลักว่าทุงอย่างมันไม่เสื่อมได้มีสุขแล้วมันก็เสื่อมได้พอเสื่อมพอสุขเสื่อมไปทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันที พอใจมากคืออะไรเจ้าค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะเวลาปฏิบัติจะ่าไปนองประเณรตามได้จักว่าขั้นนี้อยู่ตรงไหนี่อยู่ไหนจับที่ตัวตัณหาตัวเดียวก็พอตัณหาตัวเดียวก็พอตัวเวทนาพอเกิดสุขเวทนาหรือทุกเวทนามันจะเกิดตัณหาขึ้นมาทั้นทีสุขก็อยากจะได้ทุกก็อยากจะให้มันหายไปมันก็เลยมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจแล้วเกิดอุปทานความยึดไปยึดเป็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเจ้าค่ะ เอาไปปฏิบัติค่ะน้องนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะโอเคจ้าขอบคุณเจ้าค่ ะ, ะคุณอ น, นัตองค์ต่อเมื่อกีวัานแรกงอีเนท์แล้วยังค่ะอาทิตย์นี้ค่ะไปยังไงยังไม่ได้ไปนะอาทิตย์ที่แล้วพอดีอาทิตย์ที่แล้วของวัดอโศยกไปอินเดียมาค่ะไปอินเดีย <laughs> ไปไ ก, กลกว่นั้นนั่นนี่ค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้จะไปขอนแก่นค่ะ ว่านอาจารย์สามดงเหรออาจารย์สามดงอาทิตย์หน้าค่ะมันหน้าหลวงตาสิริอะค่ะอานันดาสิริอ่าหลวงตาสิริอันนี้อของของพระลูกชายอ่ะค่ะพระลูกชายท่างโอดอันนี้ก็เป็นของแก่นหลวงพ่อสามดงเป็นอาทิตย์หน้าค่ะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นวัดของ อ, อลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินทวายอยู่ทางอุดร น, นะคะ อันนั้นก็จะหยุดอยู่หลบเราขึ้นไปข้างบนอันนั้นก็จะสงบหน่อยอ่าก็จะเป็นอีกสามอาทิตย์อาจารย์ ค, <ณ>นนคะโยมมีคําถามว่าพอดีว่าไปอ่านหนังสือสติปฐานของท่านพอลีแลว้วคนนี้แล้วก็จะมีหนังสืออีกเล่มของหลง ต, ตามหาบุด้วยเหมือนกันเหมือนบอกว่าก่อนเวลาเราจะเริ่มภาวนาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งคือจริงๆไม่รู้ว่าเราต้องทําตามสเ ต, ต็ปนั้นไหมแต่ว่าแค่สงสัยก็จะบอกว่าให้เจริญพรหมวิหารสี่ มันทํำยังไงคว่าจเจริญพรวิหารสิงพระเมตตากราาุณาเมตตาอุเบกขาอันเช่นนั้นแต่ทั้งวันทั้เคยนก็ อ, นอย่าไปมีเรื่องกับใครยอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปทําผิดสี่งเพาะผิดสี่งนั่นมันจะทําให้ใจเราทุกข์วุ่นวายใจนั้นจะบาภาวนายากคือเพราะว่าพอเห็นเขียนเป็นหนึ่งขั้นในก่อนแบบแบบพ่านั้งคาสมาให้เริ่มเจริญ จเจริญพรหมวิหารสีก็เลยเอ๊ะเราต้องเอามันมามันไม่ได้อยู่ตรงขั้นตอนนั้นนะมันหมายถึงในชีวิตปกติของเราเนี่ยเราต้องมีพรหมวิหารสีอยู่แล้วอ่๋ อ, อมันไม่ต้องมาเป็นขั้นตอนหนึ่งกันท่านใช่แล้วก็คือให้มีศีลนั่นเองสีห้าอย่างน้อยสีห้าขึ้นไปก็มีพรหมวิหารนะเพราะเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่รักทรัพย์ไม่มาพูดผิดประเพนี อันนี้หลักคือคมไม่หัคือความเมตตาไม่เบียดเบียนใครอืมแล้วก็มีมุทิตาจิตเวลาใครก็ได้ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่กรณีเวลามีใครต้องลุกเราแต่งงานแล้วก็ยินดีกับเขาไปอะไรอย่างงี้อ่าอ๋อเราเง้นเข้าใจแตอนแรกก็ดูแฟนเราไป ม, มีแฟนใหม่แล้วก็ยินดีกับเขาไปตลอด น, นะพนรอะอาจารย์ว่า ถ้าเราไม่รักกันให้พูดกันตรงๆไม่ต้องไปแอบเขาจะเอบกันเรื่องของเขาไปแล้วก็มืดเราก็แสดงความยินดีกับเขาไปอืมรูกสาวไม่ทุกข์เนี่ยเออจะได้ไม่ทุกข์ก็อนจะได้ภาวานาได้ไงเพราะว่าดีจ้จรมันเกิดจาอุปท า, านพันชฌาย์โยมว่าเวลาเราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปคิดว่าเขาเป็นของของเร า, าเใช่ถูกต้องเขาไม่ใช่ของเรา <S <S <S เมันไม่มีมันไม่มีตัวไม่มีตนเลยว่าย์อมันเป็นเรื่องของการกระทำในของจิต จีนเป็นชอบคนนั้นมันก็ไปหาคนนั้นนั่นเองก็เลยต้องการการทำใช่ค่ะเพราะงนอย่างนั้นก็เลยเ อ, อมองเพราะแต่ก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกเวลาเรามีแฟนเราเป็นทุกข์พอเราโ ต, เร า, ตเราเรียนรู้ทำเราก็เลยรู้สึกว่า ม, มันคงเป็นเรื่องของการที่เราไปคิดว่าเขาเป็นของของเราก็เลยถ้าเร<ๆ>าคิดว่าเขาไม่เป็นของเราเราก็มุ่ิมุ่นดิตาจิตได้เอะยินดีกับเขาไปอืนก็เป็นอย่างนั้นก็เลยว่าโอ้เนี่แหละธรรมะก็ช่วยทําให้เราแบบ เข้าใจในหลายๆสิ่งที่มันเป็น hmm. ธรรมชาติอืรราเพราะฉะนั้นค่ยมอีกอันหนึง่งตอนนี้เวลาเวลานั่งภาวนาไปแล้วพอเจอม่เจ็บขาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทรมานมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งไม่รู้ใช้วิธีนี้ถูกหรือเปล่าก็เลยต้องมาเรียนถามอาจารย์ว่าพอเริ่มมีอาการเหมือนทุกขเวทนาเจ็บขาก็จะไปมองว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีเราในเวทนานี้ใช้พิจารณาอย่างนี้ได้ไหพระอาจารย์ ก็ปล่อยวางมันได้หรือเป่าเป้ามายอยู่ในตรงนั้นแต่เราควบคุมบางครั้งมันได้เออ่าถ้าไม่ใช่เราก็แสดงว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันก็เปนเหมือนดินฟ้าอากาศใช่ไหมต้องมองรายละเอียดให้เห็นชัดมันถึงจะปล่อยได้พอไปเปรี่ยนที่ว่ามันเหมือนฝนตกแดเราอนี้เราก็จะปล่อยได้อทันทีเพราะว่าลองเอาอันนี้พอเรามาพิจารณาตอนมันเกิดเวทนามันเหมือนเหมือนจะจะ มันก็เหมือนจะแบบสงบได้ขยามหลายอย่างแล้วก็เรารู้สึกว่าเอออันนี้ยเริ่มเริ่มจะได้เริ่มจะได้ไดหยิบขึ้นมาดูว่าเป็นเราไหมไม่เป็นเรามีเราไหมเราคุมมันได้ไหมมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเราอหยิบอันเนี้ยขึ้นมาใช้พิจารณาได้ไหมเวลาเราเาตมันเห็นว่าเป็นห น, น้าตามเป็นสภาวะธรรที่เราก็คุมมันเข้าไม่ได้สั่งให้มันมาไม่ได้สั่งให้มันไปไม่ได้มันมาของมันเองมันไปของมันเอง ก็ก็ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับแล้วมันฝนตกแน่หรอเวลาฝนตกเราไปทุกขามานยังมันได้ไหมยังไม่ได้ทุกขามันก็มันไพราะเราเพาะเราบังคับมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันตกไปจนกว่ามันจะหมดแรงมันก็อยู่เองเมื่อนัก็แบบฝนนะมันก็เท่ากับเป็นฝนตกในในร่างกายเราอ่ามันก็ตกจนมันหยุดเองแหละแล้วมันมันหยุดมันก็หายไปเองแตขณะที่มันตกอยู่จะไปบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดนะ เราเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเราก็จะทรามารแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาตกไปไเนี้ยเนี้ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วก็ไม่ทํารมาร์ดนี่บางทีเรายังยุ่งอยู่เราต้องใช้พุโทโธพุทโธหยุดบางอย่าให้มันไปยุ่งบางทีปัญญาอย่างเดียวมันไม่พอเพราะกําลังของเบคคามันไม่พอก็ต้องอาศัยสติมาช่วยสร้างเบคค้ายอีกอี ก, อ, กอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะทําทให้มันยอมรับเวทนาให้ได้ให้มันสงบลงจังเลยจัง ต้องทำทั้งสองอย่างทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาอย่างเดียวบางทีมันไม่มีกำลังมันเห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็ยังอยากที่จะไปจัดการกับมันอยู่นั่นแหละต้องหยความอยากตัวนี้เรืสติพุทโธพุทโธพุทโธอันยงเจร ลงไปสลับอย่างนั้นดูเพราะว่าก็เออพิจารานดูก็ดูเหมือนเออไม่ไม่ไม่กระสับกระส่ายแต่ก็อีแล้วไปยังไงต่อล่ะก็มันก็ไปเจออะไรนะแล้วมันไปยังไงต่อมันยังไม่เบาจริงยังไม่เบายังไม่ปล่อยเต็มที่อถ้ามันปล่อยแล้วมันจะโล่งเต็มที่มันไม่คิดใครเล่าให้ฟังเราพิจารณาเวทนาแล้วเราเขาปล่อยได้ปั๊บปัปล่อยให้ใจเบาเย็นสบายขึ้นมา นายยังต้องไปดูต้องต้องไปให้ถึงจุดปล่อยนะใแต่ที่กระสับสกระสายกังวนกังวหายไปกายเป็นความนิ่งเฉยสบายขึ้นมานั่นแหละทุกข์หายไปแล้วไงดับทุกข์ได้นะไช่ต้องเนี่ยวจะต้องไป ร, งรู้เองผู้ปฏิบัติมันจะมีผลมันจะบอกมันจะฟ้องว่าในตัวเองว่าถึงไม่ยังถ้ายังไ ม, ถงไม่ถ้ายังไม่หายทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถึงนะ มระอาจารย์เราก็ใส่ น, น, นนะอันนี้ต้องไปต้องไปปฏิบัติเองอย่างที่พระอาจารย์ว่าจริงๆอ่ะเหมือนคนไม่เคยกินทุเรียนมาคุยกับเราเราพยายามอธิบายก็คงไม่เข้าใจรสชาติบางคนก็ว่าเหม็นบางคนก็ว่าหอมอันไหนกันได้ก็ถามเรามันก็ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะจะคิดคิดว่ามันเหม็นก็ได้คิดว่ามันหอมก็ได้นมากเอกินจริงเหมือนรู้จักว่ามันเป็นปัจจิตังใช่ไหมจังท่า นก็สันท pues> ี่คิดมันเป็นสันธิ่ติโกพวกปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยตอนเองอ่าได้แล้วก็ไม่ได้มีคําถามอะไรมากมีอยู่สองคำถามนี้ก็ยังปฏิบัติทุกๆวันค่ะถ้าไม่ได้เดินทางอย่างถ้าถ้าเดินทางก็นั่งรถก็เจริญสติอะไรับต้งเรียเดินทางสติจะได้จะได้ทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันและทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้เต็มเต็มที่เต็มร้อย นี่แบ่งไป็คนละครึ่งทางนครึ่งมาภาวนาครึ่งมาเมนน้ำร้อยกับน้ำเย็นมามามาผสมกันเนี่ยเหมือนกันเย็นก็ไม่เย็นร้อยก็ไม่ร้อยแต่เดี๋ยวหมดเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนต่อไปก็จะเป็นภาวนาแล้วก็จะมีเดือนนี้ที่ยุ่งมากนิดนึงค่ะได้พระอาจารย์ก็ไม่ใช่พรอาจารย์ แก็ยังปฏิบัติภาวนาปฏิบัติบูชาไปจ้ะคัญก่อนนะปฏิบัติเห็นปฏิบัติบูชาสําคัญกว่า อ, อาบิสบูชาอันนี้อันนี้เห็นและเชื่อตามนั้นจริงจริงป่ะาแต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็อาศัยอาบิสบูชาไปก่อนอถ้ายังไปนิพานไม่ได้ก็ไปสวรรค์ก่อนทําบุญทําทานก่อ น, นไปสุขติก่อนก็ย่อมดีก็ยังดีก็ไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมได้ค่ะ โอเคสาธุสวัสดีคะมหาพัฒนาดาวตมงอันนี้จะเป็นนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมไปไปสวรรค์นะใจตั้งใจเลยค่ะพระอาจารย์อยากหลุดมากก็ทําบุญนะพระอาจารย์โชคดีวันทําเต่าทํากระถิ่นค่ะก็ได้ทำแบบพระอาจารย์บอกคือโอนเงินก็ได้ทำกรถิ่นหกวัดเจ็ดวัดเลยนะของพระอาจารย์บุญมีโอนเงินอย่างเดียวก็ภาวนาค่ะได้ทําทั้งสองอย่างได้สองเน่งเลย แล้วก็พระอาจารย์คะออกพรรษาแล้วอะ่ะก็รู้สึกว่าเอาอบางัียังไม่ได้ไปไวัดก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเนสันชิกต่อดีไหมคะพระอาจารย์กะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้เราอะ่ะนึกถึงว่าเราต้องไปอยู่วัดต้องไปอยู่วัดจงหว่าจะถึงเป็นอยู่วัดได้เราถึงจะเลิกเนดีไหมพระอาจารย์จะเนรทุกวันพูดเหมือนเดิมเอ่อมันตัวเราเนี่มันถามเราทำไมเราไม่เกี่ยวอะไรเท <c oughs> ่าไหร่อ๋อค่ะบพระอาจารย์ไม่รายงานว่าคือรายงานรายงานก็รายงานจะถามก็ถามง เาก็ถามคะ่ะใหตัดสินใจเองเนี่ยนะคะเนื่องี่จต้องตัดสินใจเองไปถามคนอื่นมันไม่ได้หรอว่าต้องตัดสินใจเองตัดสินใจเองงั้นจะในสัญชิกต่อจนกว่าจะได้ไปวัดนะคะพระอาจารย์เพราะไม่งั้นนี่มันจะทำให้เราอ่ะผัดผัดคือเราก็ทําทหน้าที่เต็มที่ดูแลคุณพ่อดูแลอะไรแต่ว่าเราอ่ะใจตอนเนี้มันก็คือไปวัดแล้วก็อยากเข้าไปในป่าด้วยซ้ำพระอาจารยอยากอยู่คนเดียวในกุฏิแบบไรแบบรู้สึกว่ามันดีมากเลยพระอาจารย์แต่ว่าแล้วก็เลยเรียนสัญชิกต่อแล้วก็ไปวัด พอาจารย์ถ้าไม่ติดงานอะไรก็จะไปวัดทุกวันพระเหมือนเดิมนะพระอาจารย์ซึงซควรจะได้ไปวันแล้วก็เดือนหน้าน่าจะได้ไปทำภูเรือนะคะพาคุณพ่อไปทำบุญแล้วก็ไปเยี่ยมพระอาจารย์นิพนธ์แล้วก็ไปทำบุญด้วยฝนคงหยุดตกแล้วพระอาจารย์แล้วก็จะพยายามต้อง<ก>ไปมันจะตกก็บ่อมันตกไปแล้วไปห้ามว<อ>ม่ได้ ร, รถฟรีฟ้าพออาจารย์เอารถฟฟ้ามาใหม่รถ้ำท่วมอยว่รถไปไม่ได้ก็ถอยไปไม่ได้ก็ถอยแล้วกันอย่าไปดันทล่ง ค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวไปเดือนหน้าน่าไปได้แล้วว่าอาจารย์แล้วก็ยังสงบร่มเย็นอยู่นะคะว่าอาจารย์รู้สึกดีมากเพราะว่าแบบมันมันมันยังยัเย็นอยู่พระอาจารย์ยังเย็นใจอยู่มากเลยค่ะมันเห็นทันมันมันทันเห็นแล้วก็เร็วเลยมันเห็นทันอยู่ในปัจจุบันได้อาได้เห็นเป้าหมายของการปฏิบัติตามก็คือรักษาใจให้เย็นให้สงบท่านเลยค่ะค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์มากมากเลยค่ะบรรดาจะเติมมากเลยตั้งแต่เจอพระอาจารย์นี่มันชีวิตเปลี่ยนเลยะค่ะ คารอ๋อขุนเอกเชียงรายตอนนี้ฝนหมดแล้ใช่ไหมเชียงรายน้ําท่วมหมดแล้วใช่ไหมัการรพะอาจารย์ครับตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับเริ่มอากาศเย็นมาแลครับฝนฝนหมดนะครับอาจารย์ครับครับผมก็ยังปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับต้องแติวันดีวันตายเลยนั่นจนกว่าจะจบใช่ครับผมใช่ครับผม ถ้า<ะ>อยู่ก็คงยังไม่เข้ามาเท่าห้องนี้นะใช่ครับก็ขอบคุณพระอาจารย์นะครับอบืมก็ถือว่าผมก็โชคดีมากครับที่ได้มาเจอเหมือนกันนะครับอาจารย์อืมตอนนี้ทาว่าที่บุญเก่าก็ได้นะบุญเก่าเคยสะสมมามัน่งได้พามาให้พบกันอีกครับผมครับผมก็จะพยายามทําให้ถึงที่สุดนะครับอืในชาตินี้ครับอาจารย์มันคง จะให้เสียชาติเกิดถ้าว่าจเสียชาติเกิดก็คือต้องได้อะไรสักอย่างจากการมาเกิดชาตินี้ครับผมครับผมก็ไปบัติจะถึงที่สุดแล้วครับเพราะช่วงนี้รู้สึกมันมันเข้าไปลึกมากครับอาจารย์มันตอนลมลมหายใจหายไปก็อยู่ดูดูลมไปเสร็จแล้วมันมันเย็นในใจมากครับอาจารย์แบบมันมันสุกครับอาจารย์มาอธิบายไม่ถูกครับมันสุกมันเย็น เบานันแหละบาลานซ์ระหวามสุขของความสงบที่เหนือกว่าความสุขทางปวดมากเลยอาจารย์นัตติสันติบาลานซ์สุขครั้งข้าผมจมันมันไม่เหมือนกับเมื่อเมื่อครั้งที่ที่ผมใหม่ๆนะที่ผมเรียนพระอาจารย์ว่าที่มันวูบไปแล้วก็ผมจําไม่ได้แล้วก็ผมมาถามพระอาจารย์นะฮะที่พระอาจารย์บอกนั้นแหละเจอมันแล้วเงี้ยแต่ตรงนี้มันมันลึกมันเย็นเข้าไปมากครับอาจารย์ครับอืแต่ก็ ก็อยู่อยู่ได้สักพักเนี่ยไม่ไม่นานเท่าไหร่ครับอาจารย์มันอยู่ว่ามันเข้าไปด้วยสติแล้วด้วยปัญญาถ้าปัญญาแล้วมันจะเย็นกว่ามากกว่าสติครับผมว่าเย็นมันมันติดตาติดใจคราบอาจารย์ก็คือหรือว่าที่พี่ก็ราก็้กันกรู้ว่าเฉียเฉยกันน้วรู้ว่าแบบนี้ถ้าพยายามปฏิบัติต่อไปให้มันได้บ่อยๆขึ้นมากขึ้นครับผมก็ผมเองก็ตั้งใจอยู่กันว่าก็ อย่าวันพระก็จะพยายามจะนั่งให้<อ>ให้ให้นานบางทีบางทีมันจะถือในสัญชิกไปหรือมันจะเสียคําพูดไปแต่ก็นั่งให้มันยาวที่สุดอย่ไ ง, ไงครับปฏิบัติให้มากที่สุดอย่า<ม>งเี้ยครับอาจารย์คร<ม>ับครับผมก็อยากปฏิบัติปฏิบัติทุกวันนะครับตื่นตอนเช้าทุกวันนะครับรอาจารย์ครับอืครทีรนี้ก็เพิ่มช่วงช่วงเย็นก็เพิ่มมาอย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงขึ้นไปครับอาจารย์แต่สตินี่ฝึกติดทั้งวันนะครับอาจารย์ครับติดต้อง เพราะว่ามันฝึกแล้วมันมันเข้าได้แล้วมันสุขใจมากมันมันมันเกิดสรรพะแบบอยากทำเรื่อยๆครับอาจารย์สราวิริยาจิตตาวิมันสาระครับครับก็ขอบคุณธรรมะโหผู้เจ้ากับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสาธุครับผมมันคุณหมอสุทธาเนเป็นยังไงบ้างมีอะไรมาเล่าให้ฟังมั้ย ธรรมศา ก, การท่านพอาจารย์เจ้าค่ะยังไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะชีวิตก็สมุกล้มเย็นตามลำดับเจ้าค่ะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรต่างๆนะไม่ค่อยทุกข์กับอะไรเจ้าค่ะอ่โอเคเอทุกข์ก็เรียบดับมันเสียนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ อ, อดับที่ใจดับที่กิเลสไม่เป็นดับที่อื่นที่อื่นไม่ใช่เป็นต้นเหต ข, ข, อของความทุกข์อะไรบาของความทุกข์อยู่ในใจเราคือกิเลสที่อยู่ในใจเราเท่านั้น โอเคสาธุ <c oughs> คุณค่ะคุณอุษาดาราที่ว่านามัตการแถวผ้าจารย์อืมเป็นยังไงอ่าโยมก็ยังติดแปดค่ะอาจาย์เอ่อเข้ามาเป็น 2, สองพรรษาแล้วนะคะอาจารย์ตั้งแต่พรรษาที่แล้วจนพรรษานี้โย ม, มหยุดออกมาแค่สองครั้งเองด้วยเหตุของการป่วยตอนนี้ก็ยังติดแปดอยู่ค่ะอาจารย์ดีะนะโมทนาสาธุ ค, ค่ะเอ่อ ยมขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นที่ยมรายงานอาจารย์ว่าเอ่อยมขึ้นเขาแล้วก็ยมเอลงนอนแบบยมท้อหรือยมเอลงนอนแล้วก็มีเสียงอาจารย์บอกว่าดือด้อดืนิสัยไม่ดียมก็กลับมาพิจารณาเอาเอาเอาข้อนั้นมาเป็นพิจารณานะคะไม่ได้ไม่ได้โกรธหรือเคร่งนะคะแต่เอามาพิจารณาว่าเราดื้อตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนเรานิสัยไม่ดีตรงไหน แล้วก็ก่อนขึ้นเขาเน่ยฟังธรรมใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับตัวอักษรแดงๆขึ้นมาโ ย, ยมเปรียบเทียบเองเลยโยมฟังธรรมใช่ไหมคะอาจารย์ตรงไหนที่โยมจับได้สองคำอะค่ะโยมก็จะเหมือนกับเป็นตัวแดงตัวตั ว, ตวใหญ่ๆเอาไว้ให้ตัวเองจำมันก็มีละขันห้ากับละสังโยต์แต่โยมเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาบาลีใช่ไหมคะโยมก็เลยไปหาว่าละสังโยต์คืออะไรเพราะฉะนั้นไอการที่เราเห็นความไม่ดีของเรานี่ก็ จัดอยู่ในการละสังโยชกด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกละสังโยนก็คือละกิเลสที่ผูกมัดจิตใจไม่ให้กบ ไ, ไ, ไม่ให้เวียนว่าตายเกิดอยู่ในใจพวกเป็นขันธ์ห้านี่ก็ก็คือละสัจการยาทชิติก็คือละขันธ์ห้านเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพนพระเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา แล้วก็พอโยมค่ะโยมก็ฟังเอ า, ค, ค, วามมความไม่ดีของเราแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นถูกตำหนิหรือถูกอะไรนะคะโยมถือว่าเป็นเป็นการชี้ให้เราเห็นนะคะโยมก็เอามาคิดแล้วก็โยมไปฟังเทปย้อนหลังธรรมะนาคบุติเมื่อวันที่สิบสามกันยาปีหกสามก็มีคนถามแบบนี้ว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนไม่ดีมันตรงกับใจโยมพอดีแต่อาจารย์ตอบว่า มันเป็นการดีซะอีกที่เราเห็นข้อไม่ดีของเราเห็นกิเลสของเรายมรู้สึกมีกําลังใจฟูขึ้นมาเลยค่ะจาย์มันเหมือนกับเรากาลังสะแกนตัวเราเองว่าเราว่าเก่าเตียนตัวเราเองคนยังคนเราไม่ชอบว่าว่าตัวเองชอบว่าคนอื่นใช่ค่ะตอนนี้ก็บอกว่าเออแล้วก็พยายามหาแล้วก็มีวันหนึ่งโยมก็นั่งนั่งชมยว่าเอ๊ะทาไมเพื่อนเราหายไปไหนหมดทําไมเราไม่มีเพื่อนเลยทําไมคนนั้นไปนัดเพื่อนคนนี้ไปนัดเพื่อนโยมก็บอกว่า เอ๊ะทำไมเราเป็นคนไม่มีเพื่อนเลยเหรอแต่คำตอบบอกว่าไม่ใช่เราถอยออกมาเองอ๋อโล่งใจไปค่ะอาจารย์นว่าไม่มีคนคบแล้วก็แล้วก็พอเมื่อวันที่ยีิบยี่สบอ็ดยีิบสองนยมรับทำดอกไม้ใช่ไหมคะวันวั น, วนถวายวันปิยะอาขาจารย์ยมรู้สึกว่ายมยังไม่ผ่านตรงนี้เพราะยมยังรู้สึกร้อนลนหรือกังวลว่างานจบมาดีไหมเราปักดอกไม้ไม่ไม่สาเร็จมารู้สึกพุ้งะคะ่ะยมก็ เอาคําที่อาจารย์สอนกลับมาตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่แล้วก็ปักดอกไม้ใหม่มันก็สําเร็จค่ะแต่เราได้เห็นว่าอ๋อเรายังยังไม่ผ่านว่าเราเจอปัญหารจริงแล้วเรายังกังวลแล้วยังฟุ้งอยู่อะค่ะอาจารย์มันเป็นบทดทดสอบทําให้เราได้เห็นว่าเรายังไม่ได้แต่ก็ยังดีว่าได้เอามีสติค่อยคอยฉุดล้างเราอะค่ะอาจารย์ว่า <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเรากําลังฟุ้งแล้วนะเรากําลังอะไรเขาเรียกอะไรคะวุ่นวายใจอะค่ะอาจารย์ ใช่แล้วเราไ ม, ม่ตั้งหาความใหญ่อยากให้มันดีอยากให้มันสําเร็จใช่ใช่ค่ะเรากลัวว่าพอปักแล้วดอกไม้มันไม่ได้ดังใจเราแล้วมันก็ว่าเราเราไม่นิ่งอค่ะจ้าเราไม่นิ่งเราพอปกติโยมทํางานเนี่ยโยมจะปักนิ่งๆแต่พอเรารู้สึกว่าเราต้องทําตรงนั้นเราต้องวางไปแล้วก็ต้องขับรถออกมาส่งข้าวให้สามีที่บ้านใช่ไหมค่ะงานเราไม่ต่อเนื่องเราก็รู้สึกว่าเราฟุง้งโยมก็เลยออกมานั่งนิ่งๆแล้วก็ไปปักใหม่ ค่ะต้องใช้สติมาก็ยมต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ทําให้ยมมีสติในการยั้งคิดตรงนี้แล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันเราไม่ตะเลิดแบบเมื่อก่อนนะคะอาจารย์ก่อนหน้านี้พอปุ๊บมันจะรู้สึกอารมณ์ร้อนขึ้นมาแต่ว่านี่คือแบบเราไม่ทุกข์กับมันนะคะอาจารย์แค่ตั้งสติใหม่ mm hmm. แล้วก็พอเจอลูกค้าลูกค้าบอกตอนแล้วลูกค้าจะแคนเสิลงานบอกอ้าวปักไปแล้วแต่เขาก็แต่ไม่โกรธนะคะอาจารย์ใจล้มไม่ได้กังวลคะ่ะ แล้วก็เราก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยแป๊บหบนึง่งแล้วก็ปัญหามันก็คลี่คลายได้ค่ะอาจารย์ตรงนี้รู้สึกว่ามันดีมากเลยค่ะอาจารย์มันผ่านทดสอบเราไปเองค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะโยมนั่งฟังตั้งแต่ต้นนั่งฟังไปรู้สึกว่าวันนี้มันเสียงของอาจารย์แล้วก็เสียงของน้องที่สนทนาหรือพี่ๆที่สนทนาเนยทําไขเลาะมากเลยค่ะมันวัดเพราะใจโยมฟังอยู่กับเสียงตรงนั้นนะคะอาจารย์ อยู่กับเสียงตรงนั้นแล้วก็รู้สึกแบบมันเราไม่ไปไหนไงคะอาจารย์มันเหมือนกับว่าอยู่กับเสียงมันเหมือนกับว่าเรานิ่งอะค่ะอาจารย์มันเป็นลักษณะของเหมือนกับว่าเราอยู่กับเสียงอย่างเดียวมันไม่ไปอย่างอื่นมันรู้สึกว่ามันดีมากเลยค่ะอาจารย์ oh <my> แล้วก็ค่ะแล้ววันที่โยมเหนื่อยใช่ไหมคะโยมก็กลับมานั่งนิ่งๆมันมีความเบา มันเหมือนกับว่ามันจมันเหนื่อยอ่ะค่ะจย์แล้วเราก็นั่งดูลราปล่อยไปเลยมันเคยที่โยมเคยเรียนจันว่าพอมาเหนื่อยแล้วมันรวมไปเองอะค่ะมันอาการนั้นมาแล้วก็พอมันเสร็จแล้วมันก็รู้สึกเบาแล้วก็หายแล้วก็มีความสุขค่ะจันโอเคเอาเที่ยงก่อนนะเดี๋ยวเวลาตัตัทุกค่ะจันขอบพระคุณค่ะขอแบ่งเวลาคนละสั้นได้ค่ะได้ค่ะตัทุกค่ะทุกค่าแม่ น้่ะสามถึงห้านาทีค่ะจับสาทุกค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ ะ, ะได้ยินค่ะของหนูก็เลยอปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์หนูก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วก็นั่งสมาธิตลอดค่ะเพราะว่าหยุดไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ช้าใจไปเรื่อยๆอดีมีคําถามาาไหมอ๋อหนูไม่มีคําถามค่ะเพียงแต่หนูมา ประสบการณ์และหนูเอามาพิจารณาค่ะพระอาจารย์คือหนูเห็นว่าตอนหนูลดความใช่ไหมคะพระอาจารย์ตอนตอนไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่มีอาการอะไรพอมารู้สึกตัวหนูก็รู้สึกเจ็บอะค่ะพระอาจารย์เวลาผ่าตัดอตอนที่สลบก็ไม่รู้สึกเจ็บพอมาตื่นนี่ก็จะรู้สึกเจ็บอะค่ะพระอาจารย์มันเหมือนมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมเนี้ยค่ะพอดีหนูเห็นพระอาจารย์ สนทนานทำกับพี่ๆไปอะคะ่ะแล้วก็มาช่วงผ่าพอหนูตั้งใจปฏิบัติทำหนูรู้วแล้วค่ะพระอาจารย์ฟังทำจากพระอาจารย์ช่วงราชสุดที่ผ่าตัดเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์แบบหนูไม่แทบจะไม่ข อ, อยากแก้ปวดอะคะ่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้าตอนผ่าสมองอะหนูแบบมีความคิดว่าอยากหายอะค่ะพระอาจารย์คือไม่ยอมรับสภาพเออคือคิดว่าร่างกายเป็นของหนู พอล่าสุด ท, ที่ผ่านมาก็ถือว่าทดสอบหนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูได้ทําจับพระอาจารย์แล้วหนูรู้สึกว่าสุขใจแล้วยอมรับความจริงอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบได้เห็นว่าโอไม่ได้ทรมานร่างกายหรือเจ็บปวดร่างกายมากเลยค่ะพระอาจารย์พอยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หนีเหมือนตอนที่เคยผ่าสมองอ่ะค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะนก็ได้ทรมาก็เกิยใจ ร่างกายมันก็เจ็บเหมือนเดิมอะเป็นแล้ ว, วใจเราไม่ทรมานไม่ไปเจ็บกับร่างกายเจ้าค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> โเอเ ค, คอีกท้านนึงนะเค้าขายอเคไปที่คนคนงานอุดรทางนี้ไม่เกินสามไม่เกินหน้าทีแต่คนนี้ไม่เกินสามวินาทีก็เจ้าค่ะน้องกัลนวัชการ่ะคะจะได้มีคําถามมเหือนเดิมเจ้าค่ะโอเคไปที่คนจิบต่อ มันจิ๊บเป็นคนจุ้มเนี่ยมันใกล้ๆตัวอักษรมันกล้ๆกันว่าไงยังไม่เปิดไมเลยอ๋อขอโทษค่ะอาจาย์ได้ยินนยังค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์แค่มองรงสังขารตัวเองว่าตามันเริ่มมองอะไรไม่ค่อยเห็นต้องใส่แว่นตลอดอ่มันเสื่อมนะไม่เปไรเืค่ะอาจารย์มีเจริญล้วมันก็ต้องเสื่อมไปตามการใช้ใช่ค่ะ ใช่ค่ะไปตรวจร่างกายมาก็เออเห็นความเสื่อมของข้างในอวัยวะของตัวเองที่น้องๆเขาท่องมาโยมก็เลยแบบเออถ้าเราอยู่ถึงเจ็ดสิบก็คงถือว่าโชคดีแล้วลอะไรก็เลยแบบเออจ้างมันค่ะก็ก็นั่งปรงุงเหตุนิจนนจังไปค่ะอาจารย์เตรียมเตรียมตายได้นะเตรียมตัวตายได้นะก็เตรียมแล้วนะคะถึงแม้จะห่ว ง, งลูกๆว่าแบบว่า เออลูกก็ยังอยู่มอปลายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าเออเราเกิดมาก็ทําดีที่สุดในฐานะแม่แล้วถ้าเราเป็นอะไรไปตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะก็ถือว่าเราก็ปลูกฝังจิตใจลูกมาให้ดีพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่างคนเราในฐานที่อย่าห่งตัวเอไปห่วงลูกอีกซะอีกก็อาจานั้นน่ะสิค่ะพระอาจารย์เวลามีลูกนี่แบบเห็นคุณแม่หลายคนแบบที่ที่ที่พูดก่อนหน้าคะโยมเลยเข้าใจในแบบมันโหดจริงๆนะคะมันแบบว่า เพราะเราอยากเพราะเราหวังเพราะเราคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนทำให้เราเห็นมูลคุณของแม่ของพ่อแม่เรานะว่าไม่เขารักเรานี่ก่อนเรารักเขาเองนะใช่ค่ะสช่ยมก็บอกบอกว่า<ม>เออเวลาเราเจ็บเราก็แฮนโดชีวิตของเราได้แต่ถ้าเวลาลูกเราโดนอะไรเราแบบเหมือนเราก็ไปทําอะไรไม่ได้เหมือนกับน้องแกะที่ดึงขนคิ้วมันก็คือเราก็ทําอะไรไม่ได้ลูกโยมก็เป็นประมาณสไตล์เดียวกันก็คือแกะ กัดไม่ได้การเล็บแกะเล็บอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็เออมันไม่ได้คอขาดบาดตายก็ปล่อยเขาทําไปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาใจไปวางตรงนั้นก็เออทามันเถอะอะไรเงี้ยค่ะค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันนะคะค่ะแม่นม่จะรักลูกมากกว่ารักตัวเองใช่ค่ะจริงๆค่ะจริงๆนะคะจริงๆค่ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ธาตขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะอ๋อยมซลินทอนไม่แน่ใจว่าเข้าไหมยังค่ะ เขาบอกเขารออยู่ยก็เขาแค่ไม่ได้เข้ามาก็เขากับฝากกับนวัตสการพระอาจารย์ด้วยนะคะใช่ต้อเจอเ ค, คนเยอะกันไปก็เลยมัม่นใจเข้ามาค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ไปที่กุญโญภีเกยยังกุญโญน้องเก่านวัตสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคืนนี้เข้ามาร่วมรับฟังไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคองั้นไปที่ท่านต่อไปอินทิสาเอลเออินทสา น้องกลับนวัสนการค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะอาจาริ๊บค่ะค่ะไปถามได้เลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะรักษาธาตุแนะคะคุณมาลยเชนสวัสดีพ่อค่ะมีอะไรไหม นี่อ็ไม่มีการหลงพ่อก็ยังปฏิบัติอยู่อ่าปฏิบัติไปเรื่ความพยายามนี้หนความสาเร็จที่นั่นนะถ้าหลวงพ่ออืมดับคนจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรอ่าค่ลวงพ่อไม่ได้คนดัความทุกข์ด้วยความขี้เกียจค่ะหลวงพ่อวันวันที่ไปตจากหลวงพ่อวันนั้นก็ได้เห็นได้ ได้เห็นอนิจจ์ไงคะหลวงพ่อไปเยี่ยมญาติถึงความแก่ความเจ็บถ้าตกค้ำก็มางานงานศพ ก, ก็เห็นในวันเดียวก็เห็นเห็นครบเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองว่ามันชีวิตมันน้อยแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันเอาอะไรไปไม่ได้เลยสัก อ, อย่างหนึ่ง ต้องย้อนกลับมามองที่ตัวเองนะค่อต้องเหมือนเหมือนหลีกหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอยากจะให้มันอยากจะให้มันทําตามความต้องการของเรามันก็เล่งไม่ได้หรือว่าเราเราอยากอะไรให้มันมาก่อนเวลาก็ไม่ได้ค่ะพ่อเสร็จก่อนก็ไม่ได้หลังก่อนไม่ได้มันเหมือนบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเนี้ยค่ะหลวพ่อมันเห็นมันเห็นความจริงตรงเนี้ยค่ะหลวพอ อืมสิ่งที่เราบางัางคับได้ก็คือกิเลสเน่เรากาจัดมันได้ค่ะหลวงแต่เราไม่ทําจัดกันเราลากมันเราหวงมันทีมันถ้าไม่มีสติมันก็มันก็ทําอะไรเขาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อถ้าเรามีสติเราก็ยังยังเห็นกิเลสทันแต่ถ้าสติเราอ่อนสติเราขาดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราก็ไม่ทันอืเรายังตัดมันไม่ได้ ค่ะก็จะพยายามพยายามอยู่ค่ะพยายามตามมาให้ทันเวลาเกี่ยวกินเล็แล้วต้องตามมันให้ได้หยุดมันให้ได้อย่ไปทาตามมันค่ะเนาะโอเคนะอ่ะขอบคุณมากมากค่ะหลวงพ่อคุณบาริการ์ท่ว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ ปณีวัตรความธรรมนะครับอาจารย์ไม่มีคําถามในเรื่องของการเจริญสติก็พยายามที่จะตามดูตามรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราดังนั้นการที่จะดับความทุกข์ในใจได้ต้องดับที่ตัวเราเจ้าค่ะอาจารย์ต้องอย่อน ท, ที่ดับที่กิเลสกิเลที่มีในตัวเราเนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์กให้กับเรา โอเคนะยัไงนี่คนนั้นนกับคนต้ากาบนมอสการพระอาจารย์ค่กบน้อมสการพระอาจารย์ครับกับเป็นบ้านยังอะไรนะคพระอาจารย์กับเปบ้านหอยังกบงบ้านแล้วครับจาใหญ่ๆแลครับวันนี้ก็มาร่วมฟังธรรมคับพระอาจารย์ก็มีหลายๆท่านก็สอบถามคาถามก็ได้ความรู้ไปไปมากพอสมควรนะครับก็ต้อง จะไปเจริญสติให้มากขึ้นครับอาจารย์ทำสมาธิให้มากขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้หนูกับเพื่อนๆนัดกันถ้าไม่มีอะไรขิดข้าจะไปฟังธรรมพระอาจารย์ครับที่คุติครับครับอนนี้ต้อนรับค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณจอยเจ็นคุณจอยเป็นยังไงอันนี้มาฟังธรรมที่คุติใช่ค่ะ ฟังแล้วรู้สึกเอ่อดีค่ะเข้าหัวมากค่ะรู้สึกแบบว่าในความในประโยชน์ใช่ค่ะค่ะรู้สึกว่าไม่อยากเกิดเลยมันมีแต่ทุกข์ทุกอย่างดตาสว่างเป็นนะค่ะถามไหมกลับนี่ฉุกสรรยังไม่นอนเลยขังตารอจะกลับจะถามจนไม่มีคําถามแล้วปฏิถิมน่ะกลาญจเปฏิทินน่ะอาทิตษฐานค่ะอธิษานโอเคค่ะ ยังนอนเด็กได้อยู่ตอนนี้นเดินออกไปใส่บาตรเหมือนเดิมค่ะโอเคสาธุคุณปุ้ยนักจมเบรปปุ้ยเชิญตามน้ำอัศการค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยไม่มีปัญหาแจกจะมารายงานตัวค่ะ<อ>ว่านนะอยาก<ะ> ยังปริัานเหมือนเดิมพระจาจาร์ถือศีลเจ็ดตอนกลางวันถือศีลแปดกลางคืนสวดมนต์แนหะยมก็ทำกระถินนยมก็ไปซื้อโรงศพมาด้วยค่ะยมไปซื้อผ้าหอ่อศพํำทุกอย่างค่ะพระจานทร์อืมค่ะยมน้อมถวายแต่พระจารยร์เชีค่ะค่ะสาธุอนุทนาไาว้เป็นด harma sukham j a l ไปสวรรค์ปานิพานต่อนะ อาธุเจ้าค่ะน้อมรับค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะอยู่ไปร้อยปีเลยค่ะอ่านันบจุกคุณสวัสดีาจนอยู่กรุงเทพอยูอย่ท่ไหนจ้ะสมมติการพรับอาจารย์เจ้าค่ะลูกอยู่เอ่าปทุมลำลูกกาคลองอสองเจาา้าค่ะแต่บ้านคุณแม่คุณพ่ออยู่กรุงเทพตอนเมืองเจาา้าค่ะวันนี้สิตติดมากที่ได้ไป ฟังแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์ที่สุติวันนี้ที่ไปฟังเทศไปคนไปเอาไปเอาถ่ายนะคนที่ถายนั่งไปเอาไปเออคุณแม่กับพี่สาวรออยู่ในรถเจ้าค่ะลูกไปคนเดียวที่ไปนั่งฟังเจ้าค่ะแล้วก็ฝากคนข้างหลังช่วยถ่ายรูปให้เจ้าค่ะรูปกราบรับซึ้งของพระธรรมคาสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วก็ของพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ทําให้ลูก รู้สึกว่าลูกยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเจ้าค่ะ ม, มีความสุขมากๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะและ้ะลูกก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งและอยู่คนเดียวได้ยินดีกับทุกอย่างใช่ <laughs> ยินดีกับทุกอย่างเจ้าค่ะฉันโดดฉันโดดยินดีตามมีตามเกิด ยินดีเจ้าค่ะยินดีแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้เจ้าค่ะเพราะว่า<ม>พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอาจารย์ที่สั่งสอนลูกเจ้าค่ะลูกพร้อมเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็วันนี้ก็ดีใจได้พบแม่ชีมะเมี่ยวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นแรงคือคือคือ ว, ว่าวันหนึ่งจะได้ได้ได้ได้ปฏิบัติค่ะ <c oughs> <c oughs> จหว่า oh, วันหนึ่งก็ก็หวังว่าแบบนั้นเ mm. จ้าคะ่ะ <Yeah. S 2> แม่ชีมะเหมียวเป็นกำลังใจเจ้าคะ่ะเ mm. จ้คะ่ะสุดยอดของของของของความเป็นผู้หญิงก็คือการเป็นแม่ชีนเนี่ย <laughs> <laughs> <laughs> หวังอะไรเก่งว่าวันหนึ่งจะมีจะได้ถึงเวลาของตัวเองเ mm. จ้าคะ่ะหรือไม่ก็ได้ปฏิบัติแบบแบบคนเดียวไป จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเจ้าค่ะอ่าดีมากมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ฝากขอพอบคุณคุณหล้าด้วยที่จัดหนังสือธรรมะส่งมาให้เจ้าค่ะลูกโชคดีที่มีกัญยาณมิตรอันนี้คุณหล้าวันนี้คุณหล้าไปเบิกไม่เวกเออเจ้าค่ะต้องฝากขอบคุณคุณหล้าด้วยเจ้าค่ะขอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าใบนี้คุณฟังว่าอะไร สีรัชาก็ไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าวันนี้เนื้อหาการสนทนามีประโยชน์แล้วก็เพินคนค่ะเป็นประโยชน์ค่ะดีอาเดิมยมแจนจากพิตต์เบิร์กเพนซิลเวเนียนมัสการค่ะพระอาจารย์เอาแบบเร็วๆรวบลัดเลยนะครับรอาจารย์ เ, เ, ยเมื่อ อ, อทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เจอยมที่เพราะว่าไปงานกระถินร่วมกันคะ่ะ<ม>อาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เกิดทั้งสุขทั้งทุกข์ พอสุขโยมก็มันก็ปึ๊บก็มาในจิตเองว่าเออมันเป็นของชั่วข่าวค่ะพระอาจารย์พอทุกก็โยมก็มันก็ปุ๊บ้ามาว่าเออเป็นของชั่วข่าวค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมก็มองว่าเออการเกิดมันก็จะมีทุกอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เวลาโยมนั่งสมาธิเมื่อเกิดเวทนาโยมก็พิจารณาแบบคุณอ่อนอค์นะคะว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วก็เป็นของชั่วข่าวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ดีความไอเวทนานะคะเราไม่ใจเราปล่อยได้เนะค่ะพระอาจารย์ก็สามารถอนั่งได้จนจบตามเวลาที่เรากำหนดไว้ค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนนั่งไม่ได้เมื่อก่อนนั่งแบบนี้ไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็ทรมานพระอาจารย์แต่ตอนนี้ก็อย่างนี้ไม่ต้องทรมานนะค่ะก็สามารถทำได้จบตามเวลาค่ะพระอาจารย์ที่เราตั้งไว้ค่ะดีมากสาธุค่ะ สาถูกครับอาจารย์นั่งต่อไปปฏิบัติให้มากกันนะค่ะเราโยมก็พยายามพิจารณาแบบพยายามเจริญสติระหว่างวันด้วยค่ะอาจารย์โอเคถูกต้องค่ะตาทุกค่ะอ่าคนสีวิลายใช่ไหมคนสีสีวิลาอยู่ที่ไหนไม่เคยไม่เคยเข้ามาเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เคยค่ะนี่เป็นครั้งแรกับ อ, อาจารย์ก็ก็กำลังตามหา อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์หาอะไรกำลังตามหาตามหาธรรมะไม่ไม่แน่ใจว่าตามหาอะไรอยู่แต่ว่าก็เริ่มศึกษาธรรมะมากขึ้นแล้วก็แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเหมือนตามหาคนตามหาตามหาพูดนาทางนะ พระอาจารย์ก็ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆเนี่ยค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นาทางที่ดีที่สุดค่ะค่ะใช่ค่ะแต่พระธรรมพระธรรมก็ก็ก็เยอะมากอยู่บางทีก็เราก็คงจะต้องเริ่มจากฟังให้มากอก็เข้าเข้ามาเสิร์ชดูหาว่าเออเขาฟังธรรมของพระอาจารย์ท่านไหนกันบ้างแล้วก็ฟังดูว่า เราจะเราจะรับได้เข้ากันได้กับพระธรรมที่พระอาจารย์ทั้งหลายได้ได้สอนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเปิดมาวันนี้ก็เจอพระอาจารย์กําลังไลฟ์อยู่ก็เลยเข้ามาตั้งฟังค่ะมาฟังนี่ครั้งแรกค่ะไั่แม้ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะได้งตั้งใจตั้งใจว่าวันนี้ตั้งใจเสิร์ชหาชื่อพระอาจารย์เลยอ่าแล้วก็แล้วก็เห็นพระอาจารย์ไลฟ์ก็ก็เข้ามาค่ะพุท <c oughs> ธีก็เคยได้ฟัง ที่ที่เป็นใน YouTube ของพระอาจารย์ว่า mm hmm. ก็ไปเมื่อเสาร์ที่ก็ไปงานกระถินมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราเร า, เร า, เ, ราเราควรจะต้องนอกจากนอกจากศึกษาธรรมะฟังธรรมะแล้วเราจะต้องปฏิบัติไหมเราจะต้องมาที่มาที่วัดมานั่งปฏิบัติมาปฏิบัติทำสามวันเจ็ดวันไหมหรือว่าเราควรจะเราควรจะต้องทำยังไงครบับระอาจารย์ ถ้าแต่<ะ>เราจะช่วเหลองานเริ่มตนน้นให้เราถ้าทําที่บ้านได้ก็ทําที่บ้านไปก็ได้ถ้าเราสามารถศึกษาทำบ้าแล้วเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติของเราไปก็ได้แล้วเ ร, เราจะรู้ปฏิบัติถูกต้องไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อาจจะต้องไปไปศึกษากับยังก็มาที่นี่ทาปฏิบัติแล้วก็มาเล่าให้ฟังดูปฏิบัตินี้เป็นยังไงถูกต้องไหมก็จะได้บอกแนะนําได้อืม มันเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยอ่าก็คือต้องมีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยไปวิธีที่จะใช้สติอยู่ความคิดก็ต้องมีกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราต้องใช้ปูกใจไว้เพื่อให้ใจไม่ลอยไปกับความคิดเช่นให้เรามีปูกใจไว้กับคบําบาลีคำพุโทโธพุโทโธอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติ เพื่อให้ใจเราอยู่นิ่งไม่ให้ใจเราลอยไปกับความคิดอดีตก็ดีอความคิดในอน า, าคตก็ดีตัดมันให้ได้ให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอันนี้เป็นการฝึกสติก่อนถ้าเราไม่สามารถควบคุมใจด้วยสติว่าให้ใจไปคิดเวลานั่งสมาธิมันก็อยจะฟุ้งซ่านมันก็จะไม่สงบมันจะนั่งได้ไม่นานอื เราต้องฝึกสติก่อนอันนี้เราสามารถฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่เราตื่นจนหลับเนี่ยเราควรจะฝึกให้เวลานี้มาให้กับการฝึกสติให้มากก่อนพอเรามีสติแล้วเราเวลาว่างเราอยากจะนั่งเฉยๆก็นั่งหลับตาแล้วก็พูดโธต่อไปก็ได้เราจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้อืทานน่านี้น่ะเนื่องการปฏิบัติเบื้องตน้นอืมใช่ค่ะใช่ค่ะ เราทําำดูลองฝึกสติให้ได้ก่อว่าสามารถเอาพุโทโธไว้ในใจเราได้ทั้งวันหรือเปล่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็พุโทโธกลกลับไปเรื่อยถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดเท่าที่จําเป็นถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ก่อนแล้วก็คิดเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดความคิดแล้วกลับมาพุโทโธพุโทโธต่อเสร็ค่ะกลับครับพระเพลิน ต้อง <Okay. S 1> ต้องเรา <Okay. S 2> สามารถปฏิบัติที่บ้านได้แค่ น, นี้เบื้องต้นเองที่เข้าไปปฏิบัติที่วัดเพราะว่าเขาต้องการความสงบมากขึ้นที่บ้านอาจจะไม่สงบเท่าเท่กับไปที่วัดอันนี้เป็นขั้นขั้นต่อไปแต่ขั้นเริ่มแรกในปฏิบัติที่บ้านก็ได้โชคค่ะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะถ้าอยากจะได้ผลดีก็ดีมากก็ต้องรักษาสี่งแปดให้ได้ด้วยยิ่งดีโอ่ oh. <laughs> ตอนนี้สินห้าก่อนเนาะว่าสินแปดเรจะช่วยย่ำยังกิเลสไมให้ไปไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสหยุดยติการหาความสุขทางตาหูเจ็บงงงงกายเพื่อนเราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นแต่ถ้าเริ่มต้นโเพียงอย่าปฏิบัติแค่ครั้งสิบนาทีสิบห้านาทีก็ไม่ต้องถือสินแปดแต่ถ้าเราอยากจะฝึกทั้งวันเนี้ต้องถือสินแปดตไป เจ้าค่ะสิบแปดโอเคนะเราไปค้นหาดูสินแปดมีอะไรบ้างโอเคเอาไปเป็นตัวสาธุคุณนิดคุณหน่อยคุณหน่อยใช้ยาหนิดไม่ได้เจริญทานาแต่ไม่ได้กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ได้ยินเสียงชัดไหมเจ้าค่ะชัเจนแจ๋วแววเลยอ่าไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าผ้าจานันอ่าแขางเยือกใช่เจาา้าค่ะ<ๆ>ก็เลยนานๆจะเข้ามาทีเจาา้าค่ะแต่ว่าก็พอไม่เข้าก็กินเลดก็อืน็อกสรุปเลยเจาา้าค่ะก็ <laughs> เลยต้องเข้ามารายงานตัวหน่อนใช่เจาา้าค่ะเจ็ดเจียนตายไม่ตายก็เจ็ดเจียนตายเจาา้าค่ะอ ก็เป็นเพราะว่าใจอ่อนด้วยเจ้าค่ะแล้วก็แบบไม่ไม่กลับมาปฏิบัติแบบว่าที่แบบเคร่งเจ้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอากิเลสน็อกเอาเจ้าค่ะน่อหน่อยต้อ ง, องใจงแข็งมากกว่านี้ต้องเข็บต้องจําจําล้วต้องเข็งจะได้ไม่ทําทําผิดซ้ำแต่มีซ้ำซ้าํากเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับพอทําไปแล้วแบบรู้สึกแบบพอกิเลสมันย้อนอะเจ้าค่ะมันแบบ ตรบวนการวายอยู่ไม่ได้เจ้าค่ะอตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังแบบล้มลุกคุกคาเลยนะคะอาจารย์แบบทําล้ม ล, ลุกขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยให ม, ม่เริ่มเริ่มใหม่แบบไหนว่าน่าจะพันเนี่ยหลายหลายต้องเริ่ ม, ม<า>ต้องเริ่มต้นใหม่พอเราหยุดไปนั่นมันก็เหมือนกับว่าเราเลิกไปเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมจุดที่เราสามารถทําได้ทําตรงไหนได้ก็ทําต่อไปตรงนั้นไอ้ที่แบบเคยนั่งแล้วแบบ เย็นเหมือนแช่ในตู้เย็นนะเจ้าค่ะไม่ไม่เจอแล้วเจ้าค่ะอ่าแล้วเราฝึกสติฝึกสติใหม่ก่อนพูดโตพูดโตไปก่อนเจ้าค่ะก็จะพยายามแล้วก็ฟังผ้าจานเรื่อยๆฟังธรรมะแบบจากที่หน่อยเคยกลัวงูอ่ะเจ้าค่ะตอนเนี้ยตอนไหนไปพิจารณางูเจ้าค่ะอือยู่ในบ่อจงอางหน่อยกลายเป็นสงสารเขาอ่ะเจ้าค่ะอืคือทุกวันเนี้หน่อไม่กลัวแล้วเจ้าค่ะเพราะว่ามีมีงูจงอาง ไม่ใช่งจูจอะงูเหลื่ยมเข้ามาในบ้านเจ้าค่ะแล้วก็ไม่รู้ขึ้นไปชั้นสองอยังไงร่วงลงไปจากหน้าบ้านแล้วแบบเสียงมันดังหน่อยก็สงสารเขานะเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจุกอะค่ะเขาเลื้อยไม่ได้อะไร อ, อย่างนี้เจ้าค่ะเพอแบบพอมาเจอกิเลสตัวเองแล้วแบบว่าเรื่องพวกนี้จิตไปเลยเจ้าค่ะก็ เ, เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงจ้าค่ะก็เลยต้องเข้ามาหาอาจารย์เจ้าค่ะ กลับเข้ า, <อ>าไม้ได้กลับมาที่สติก่อนหนึ่งจิใจให้กับก็บกบมาสู่ความนิ่งความสงบกัอ่อนสติก็ไม่มีแล้วจ้ะค่ะพระอาจารย์ก็สร้างใหม่ได้พุทโธพุทโธเลยพุทโธไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวสติก็จะกลับมาพุทโธก็ น, นําเลยใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะไม่ว่าจะทำอะไรกับพุทโธไปอาบน้ำกับพุทโธล้างหน้าแปลงพันกับพุทโธ ก, กินข้าวกบพุทโธ ท, ทำอะไรก็พุทโธแต่งหน้าแต่งตัวกับพุทโธไป เจ้าค่ะต้องมามุกนี้แล้วเจ้าค่ะเพราะว่าหน่อยก็ไปแบบอาบน้ําร้วมันก็หลุดไปเรื่อยพอ ร, รู้ตัวว่าล้างชามอยู่มันก็หลุดไปเอ๊หน่อยจะไปทางไหนดีทำไมแบบเราไม่มีพูทโธก็หลุดง่ายดูร่างกายยังไม่ได้ต้องใช้กรรมวิกรรมช่วยเจ้าค่ะวันนี้หนะ่อยมีคําถามประมาณนี้เจ้าค่ะโอเคนะลองทำดูนวเดิมเดินเ ด, ดจะกลับมาที่เดิมได้ถ้าใช้สติ เรื่ส ต, สติกลับมาสู้จ้ะค่ะโอเคสาธุอ่าคุณเซเรนต<า>อนเซเรนตอนมาเล่า อ, อันนี้นอนเน้ออันนี้นอนไม่หนาวเรื่องกำสบายสบายของหนูหนูบอกว่าสบายสบายแต่พ่อหนูบอกว่าหนาวอะค่ะ <laughs> ตอนเช้าก็ประมาณคุณพออ<จ>ด้วยกันเลยคุณพ่ออยู่ที่เดียวกันเลยไม่ใช่ค่ะคุณพ่ออยู่เมืองไทยค่ะแต่เขาก็ถ่ายนะคะก็ตอนเช้าก็ประมาณ ไม่น่าจะถึงสิบองศาค่ะแล้วก็กังวลกว่าค่ะก็หนูก็ว่ากําลังดีอะค่ะอ่าเราเคเช็คกัยว่าอากาศแบบนี้แล้วใช่ค่ะพระอาจารย์หนู้ชอบถาอาที่นี่เกินองศาก็าถึงไดว่าหนาวหนูไปสบายสบายพระอ <laughs> าจารย์กลับนมัสการก่อนค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูหนูไปฟังธรรมหลวงตามหาบัวค่ะแล้วเวลาอาฟังธรรมของหลวงตาเสียงท่านเสียงท่านจะดุดุนิดนึงอะคะ่ะ เหมือนใจมันกลัวค่ะแล้วก็มันก็สงบคือมันมันคือแทนที่เราจะฟุ่งมันก็เหมือนใจมันไม่กล้าฝุ่งค<ม>่ะก็นิ่งลงหนึงอะคะ่ะแล้วก็ท่าท่านเปคนเอาจริงของจังนั่นเลยไห ม, มว่าฟังแล้วท่านดูแต่ท่านยอมจริงท่านเป็นคนจริงนั้นพูดอะไแบบพูดอย่างจริงจังพูดอย่างมีน้ําหนักมันก็เลยฟังแล้วน่ากลัวค่ะพระอาจารย์คนนี้พอหนูฟังแล้วพอเหมือนกับว่าคือหนูฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันนะคะแล้วอาจจะ มันอาจจะเริ่มจิตมันเริ่มชินนะคะก็เลยลองเปลี่ยนไปฟังทำดุงตาแล้วท่านก็พูดเรื่องเดียวกันนะคะพูดเหมือนกันเป๊ะ<ม>กับที่ท่านพระอาจารย์สอนไงคะให้พุดโท<ม>พุดโทรทั้วันไปเรื่อยๆแล้วคนนี้เนี่ยพอจิตเราเออจริงๆแล้วจิตเรามันผูร้รู้มันคือผู้รู้ผู้คิดแล้วภัยของจิตทั้งหมดก็คือกิเลส ท, ทั้งหมดใช่ไหมคะพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันคือทางโลกทุกอย่างมันคือกิเลสไปทั้งทุกทุกอย่างคือกิเลส ท, ทั้งสิ้นเสร็ใใจในชีวิต การมีชื่อเสียงการมีเงินทองมีบ้านหรือคือทุกอย่างมันเป็นไปเพราะโมหะทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะคือนี้พอเราพิจารณาดูแล้วเราก็เริ่มก็คือคือหลังจากที่ฟังธรรมหลวงตาค่ะมันก็จิตมันก็จะเริ่มถอดถอนออกจากคือมีความคิดยังไม่ได้ถอดถอนได้ทั้งหมดต้ก็เริ่มมีความคิดพิจารณารอบๆข้างว่า เออตอนนี้ทําอะไรอยู่พิจารณาดูว่าภัยของจิตที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เกิดจากอะไรแล้วเราต้องถอยออกมายังไงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนกับพอได้ได้ฟังธรรมหลวงทัดตค่ะก็เลยรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ะได้ฟังแต่คนหลายกว่อาจารย์มันจะได้อุบายวิธีคิดเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เอ่วันนี้ก็ไม่เป็นไรเข้ามากราบพระอาจารย์เหมือนต้องการพลังงาน ดีๆหนูจะได้ต่อสู้ไปในอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะขอพระอาจารย์ท่านอ่าคุณนามามเซมออรีน้อกับมสการค่ะพระอาจารย์ลุงไม่มีคาถามค่ะอย่ปฏิบัติเค่ะค่ะกล้จะหมดพอดี ค่ะมกราบนมการาการเาจะมาไปให้คุณจุ๊บคาถามทางบ้านบ้ากับนำ้ำศการค่ะมีทั้งหมดหคคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณเก่งธีรภูมิจากเฟ e บ o ๊ k ค่ะกับนมัสศการพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งการปฏิบัติภาวนาทุกคนจะต้องเจออุกหานิมิตหรือไม่ครับถ้าปัจจุบันยังไม่เจออุกหานิมิตต้องปฏิบัติอย่างไรให้เจอครับ คามจริงปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องเจอนีิมิตจะดีกว่าถ้าขั้นสมาธินี่ให้จิตว่างจิตสงบถ้ามีนีิมิก็อย่าไปสนใจให้อย่าไปให้ความสําคัญในในช่วงที่เราทําสมาธินีนะ่ต้องการความสงบความว่างของใจไม่ให้ใจไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นที่ปรากฏขึ้นมาในขณะทําสมาธิ คำถามที่สองค่ะผมดูอาการสามสิบสองมานานแล้วนึกดูเมื่อไหร่ก็เห็นตามสัญญาทั้งร่างกายอย่างคล่องแคล่วผมควรจะเลือกกําหนดดูอวัยวะเดียวเมื่อไหร่ครับ เ, ออเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเสนอนอนจะดูแบบไหนก็ได้ถ้ามันอยู่ในการสามสิบสองก็ให้ดูเพื่อลักตามมาลาคาทะทน้ำเป้าหมายจะดูแบบไหนก็ได้ขอให้เราดูแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความรักไม่มีความยินดี ที่จะไปรักใครชอบใครใก็ใช้ได้คำถามที่สามค่ะดูอวัยวะเดียวควรแบ่งเวลาฝึกดูให้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่ไหมครับกราบขอบพระคุณครับคือท่านดูดูอวัยวะเดียวเราสามารถใช้มันเป็นอารมณ์ของสมาธิได้ของสมถะได้เช่นดูโครงกระดูกมีสติอยู่กับภาพของโครงกระดูกในใจหลับตา ก็นึกถึงภาพของโครงกระดูกขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของของสมาธิทําใจให้นิ่งได้อย่างถ้าจะใช้มนุษย์ปัศนาก็ต้องดูกระโหลกดูโครงกระดูกที่มันเป็นเป็นชิ้นเป็นให้มันให้มันหลุดเป็นชิ้นเป็นอันไปถ้านเะห็นความเสื่อมของของของกระดูกของกระโหลกของโครงกระดูกว่ามันไม่ได้เป็นโครงกระดูกไปตลอดต่อไปมันก็จะหลุดเป็นท่อนกระดูก แล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นดินไปอันนี้ถ้าดูแบบนี้ก็เรียกมาดูแบบวิปัสนาคำถามต่อไปจากคุณความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายค่ะหลวงพ่อคะหนูควรทำอย่างไรดีคะวางตัวอย่างไรคะถ้าหนูเข้าใจว่าศาสนาพุทธถูกแบ่งเป็นฝัก ฝ, ากฝาก่ายหรือหนูควรทำใจใช่ไหมคะหลวงพ่ออ๋อก็มไม่ใช่เรื่องของเราตอนจะเป็นกี่ฝ่ายก็เป็ของเขาไป หน้าที่ขอเรามีศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาปฏิบัติไปนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณกุลชัยจากพระสุชาติไลฟ์นะคะกราบนมัสศการพระอาจารย์ค่ะฌานกับสมาธิเหมือนกันไหมคะไม่ว่าจะเข้าฌานหรือเข้าสมาธิตัวรู้จะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะฌานกับสมาธิก็เหมือนกันแล้วครับสมุนเพียงแต่ว่าสมาธิเป็น เป็นคาที่พูดรวมส่วนชานนี้จะบอกระดับของสมาธิว่ามีกี่ระดับชานหนึ่งฌานสองชานสามฌานสี่นี่เป็นระดับของสมาธิคือระดับของความสงบซึ่งมีต่างกัน ส, สงบน้อยสงบมากขึ้นไปตามลาดับอันนี้เรื่อ ง, องของฌานกับสมาธิเลวลาเราพูดสมาธิเราพูดถึงความสงบแบบรวมๆเมืเ่เราพูดถึงชาญเนเราพูดถึง ฌานที่มีแบ่งไว้เป็นแปดแปดระดับด้วยกันรูปฌานสี่รูปฌานสี่รูปข่ปวาวสงบในระดับต่างๆของสมาธิส่วนผู้รู้นี่เป็นผู้รู้ก็อยู่รู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบางทีมันถูกความคิดมามาบล็อกไว้ก็เลยมองไม่เห็นผู้รู้เห็นแต่ความคิดพอเราทําใจให้สงบความคิดหายไปเราก็ถึงจะเห็นผู้รู้โผลขึ้นมา คำถามสุดท้ายค่ะจากทางดร์พีแชนแนค่ะจากคุณเอมอสนะคะอยากเรียนถามว่าเราเริ่มศึกษาธรรมแล้วเราควรจะปฏิบัติธรรมไหมคะเราควรจะไปปฏิบัติธรรมไหมคะก็ศึกษาเพื่อปฏิบัติไงเพื่อเรารู้วิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติหมดแล้วค่ะโอเคก็หมดเวลาพอดีสําหรับคืนนี้